นัโมตัสสะพวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะตวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะตวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังังสังันมามิชอบพุทธเวลาไปทาบุญ ส่วนใหญ่ก็มักจะอธิษฐานขอให้มีอายุวันนับสุขรัณเวลาพระจะให้พรนะเราก็อยากจะฟังนะอายุวันนสุขภัณฑ์นะจากปากของพระนะเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขความเจริญ ตอนศีลปการนี้เนี่ยที่เราปรารถนาจะได้ยินจับพระหรือว่าเราอยากจะได้ทำคานวงพรจับศีกศักดิ์ศิเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเพราะเพราะว่าในส่วนลึกเราอยากจะอยู่ห่างไกลจาก ค, จความตายแล้วก็อยากจะไม่เจ็บไม่ปวยการมีชุวยืจา้า ก็ทำให้เราหลุดพ้นจากความตายส่วนอายุวัฒนชกสรรพราษรเนี่ยถ้าเรามีเราก็ทําให้เราเนี่ยปลอดพ้นจากความเจ็บความป่วยแต่ไม่ว่าเราจะเพียรพยายามอย่างไรทาบุญมากมายแค่ไหนเราก็หนีความเจ็บความป่วยให้พ้นและในที่สุดแะเราก็ต้อง จเจอกับความตายเจอแล้วก็ตามนะฮะเราต้องเจอกับความเจ็บความป่วยไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทุกข์เสมอไปความเจ็บความป่วยเนี่ยมันเป็นแค่ความทุกข์กายแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจด้วยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะ ไอ้ความเจ็บความป่วยความทุกข์ใจเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วคนเราในยาที่ป่วยเนี่ยก็มักจะทุกข์ใจไปโดยไม่รู้ตัวตรงนี้เป็นปัญหามากกว่าทุกข์ใจไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยนะมันก็ทำให้ยัง่งยแย คนบางคนก็ไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะแต่พอมีความทุกข์ใจแล้วกินไม่ได้มานไม่หลับไม่มีชีวิตชีวาและบางทีไอ้ความป่วยใจเนี่ยมันก็ไปจุดกายทำให้ยั้นแย่กลายเป็นว่าป่วยใจมานที่สุดถึงแม้ว่า คนเราจะหนีความเจ็บความป่วยไม่พน้นแต่ข่าวดีก็คือว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนเป็นไปได้นะอันนี้พุทธเจ้านั่นจะเคยจับกับนักปุนบิดาชื่ป่วยหนะน่กนักปุนบิดาเนี่ยเป็นเป็นวาศพคนสาคัญคู่กับภรรยาคือนักปุนมารดา ทั้งสองท่านนี่ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นแบบอย่างในสาสพทการเมื่อระกุลบิดาป่วยผู้เจ้าเสรจไปเยี่ยนและพระองค์นะก็ตรัสแนะให้นักบุณบิดาเนี่ยทำใจว่าแม้กายป่วยจัดใจดไม่ป่วยแล้กุลบิดานนนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยจิตใจก็ชื่นชื่นแบบวบาน จากที่ป่วยหนักนะดูหน้าตาข้ามเคร่งเครียดนะก็กลายเป็นผ่องใสจกนกระทั่งภาษาภาษาลิบุก็ทักว่ า, าพระพุทธเจ้าตัดอะไรกับท่านหรือนะท่านถึงหน้าตาผ่องใสแบบนั้นแล้วกุณฑิดาก็เลยอธิบายว่าเนี่ยพรเจ้าเลยตรัดว่าเนี่ยแม้กายป่วยอย่าให้ใจป่วยถงที่ระจัาถึงที่พรเจ้าตัดเนี่ย มันไม่ใช่เป็นอุดมณติัมันไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันมันเป็นไปได้และมันก็มีตัวอย่างมากมายนะใช้แนวเดียวนปัจจุบันที่ว่าแม้ป่วยกายนะแต่ว่าใจาไม่ป่วยอย่างเช่นเรามาบอกไปแล้วว่าคนเราเนี่ยเวลาป่วยกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะรอาทั้งร้อยป่วยใจยเลยป่วยใจในที่หมายความว่ายังไง ก็หมายความว่ามีความวิตกกมีความกลัวมีความกังวล ม, ควมีความทุกข์ความขับแฉนอาจนะึงความโกรธและความรู้สึกผิดนะมีนะประเภทว่าป่วยแล้วเนะี่ยรู้สึกผิดเนี่ยเพราะว่ากลัวเป็นภาระของลูกหลานกลัวเป็นภาระของภรรยา บางคนเนี่ยภรรยาก็เตือนแล้วนะว่าอย่า ก, กินหวานมากนะอย่า ก, กินเนื้อนมไข่มากออกกายกรรมกายช่บ้างนะหรือว่าอย่า ก, กินเหล้าเยอะอยา่าสูบบุหรี่มากนะสามีก็ไม่ฟังเสร็จแล้วพอล้มป่วยต้นสุกเสียใจรู้สึกผิดโดยเฉพาะก็ป่วยหนักนะต้องเป็นภาระกับภรรยา ถ้ามีนะคนเราเนี่ยเวลาปล่วยแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้สุขภาพกายย่งแ ย, ลย่ลงบางคนเนี่ยร่างกายไม่เป็นอะไรมากนะแต่พอใจป่วยเนี่ยสุดเลยคุณหมอประเวศร็สีเคยเล่าว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่ง เป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวซีหอมไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดินมาหาหมอไม่ได้นะต้องนอนเปลมาตอนนั้น ค, คุณหมอประเวศเนี่ยยงเล่าราชการอยู่ที่สิริดาแผนโลจิสวิทยาตัวซีเนี่ยเลยมาหาหมอคุณหมอประเวศก็ดูอาการและชักถามคนไข้ สุภาพ ก, ก็หารไปพูดกับหมอประจำบ้านไปเสร็จเน็ว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ที่ตัวซีก็เพราะว่ามีญาติปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะหายวันหายคืนพูดจบก็หารไปที่คนไข้เขาก็คนไข้นี่ลุกขึ้นยืนได้เลยบอกว่าหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปนนี่ละนะเข็นเตลไปเลย หมอเองนจะให้ยาเลยนะอาการก็ดีขึ้นเลย ท, ที่ต้องถามหมอว่าทําไมแค่มีแค่พยาปากคอเนี่ยถึงไม่มีแรงเพราะแไม่รู้แกมีพยาปากคอแกไม่คิดว่าที่ที่ซี่เนี่ยเป็นเพราะพยาดเยอะแต่แกปรุงแต่งไป ว, ว่าตัวนเนี่เป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นไตวายไม่เป็นดีซ่าไหมอะไรทำนองนั้นหรืนนะ พอคิดไปในทางร้ายแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อไปยึดติดกับความคิดแบบนั้นก็กลัววิตกจิตใจห่อเที่ยวก็เลยทำให้ไม่มีแรงนะพอรู้ความจริงว่าไม่เป็นอะไรมากนะแค่กิน่าเด็กทุกวนันทุกวันก็จะดีขึ้นนะซึ่งอาจจะรวมเปการกินยาถ่ายดนะ้วนแต่ก็สบายใจนะพอสบายใจพุ๊เดี๋ยวแรงกลับมาเลย นี่เป็นตัวอย่างของคนซึ่งเขาป่วยใจนะวิตกกังวลปรุงแต่งไปต่างนานาป่วยใจเนี่ยลากลัวกับความป่วยใจนะยังดีที่ทำให้แค่ไม่มีเรื่องไม่มีแรงบางรายเนี่ยหนักกว่านั้นมาคุณมาโภก็เล่าอยู่ร s หนึ่ง เป็นนักธุราากิจอายุ40กว่าเล่นเทนนิสเป็นประจำวันก็เป็นตัวสุขภาพหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วแกตกใจมากเลยหัวใจรั่วที่แกเข้าใจนั่คือว่าหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาเต้นเนี่ยมันก็เลือกก็พุ่งกระชูดออกมาแบบนี้ก็ตายสลใจเสียเลยนะกลับไปบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลักพอเดียวที่จริงเนี่ยนะหมอตั้ใ จ, จบอกแค่ว่ารินหัวใจแกรั่ว แตลล่รีดหัวใจด้วยเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตตาปกติได้ออกกำลังกายได้ยังได้แต่หมอพูดได้ครบและขอพูดได้ครบคนแพทย์เข้าใจผิดแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุมแต่งได้ในค ว, มวามกลัวด้วยหลังจากนั้นแค่สองวันก็เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้กี่วันเข้าห้องไอซีแล้วก็ไม่ออกอีกเลยตายแต่ที่อาการแก้ได้เ ป, เป็นอะไรมากคือ ยังใช้ที่ต่ำปกติได้ถึงเวลาก็ผ่าตัดเปลี่ยนที่หอนใจแต่ปอดใจเนี่ยนะใจที่ปรุงแต่งมันทําให้ป่วยในความป่วยใจเนี่ยน่ากลัวความป่วยกายคนที่ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยนะอาจะดูช่าชื่นเบิกบานที่บอกคนที่จะเป็นอะไรเลยแต่ว่าใจป่วยและปอดใจป่วยนะ ถึงแม้ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรผิดปกติในร่างกายเลยก็ดันป่วยได้นิจยินคนหนึ่งนะีน่อายุ40กว่าจะปวดท้องปวดหัวเรื้อรังความดันสูงเป็นปีีปแล้วรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายที่รักษาไม่หายเพราะหมอเนี่ยไม่พบความผิดปกติทางกาย ก็รู้แต่ว่าความดังขึ้นแล้วก็รู้ว่าคนไข้ปวดแต่หาสาเหตุทางกายไม่พบหมอนี่ก็คงจะจะผอดใจอยู่แล้วล่ะแต่ว่าวันหนึ่งหมอก็ถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเราปวดคุณได้ฟังหน่อยเธอเป็นเห็กกำพร้าล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่สาวสองคนตั้งแต่เล็ก พอพูดถพี่สาเนี่ยเธอมีอาการเลยนะคืโกรธหมอรู้เลยนะว่าอะไรคือสาเหตุเห็นความเจ็บปวดของเธอหมอแนะนําให้เธอให้อภัยเธอไม่ยอมเธอโกรธหมอหมอแทนที่จะให้ยายกลับมาแนะนำให้เธอให้อภัยแล้วเธอก็หายไปเลยไม่กลับมาหาหมอยี่ปีผ่านไปนะหมอก็ได้จดหมายจากปี่คนนี้ เธอบอกว่าหายแล้วไอ้โรคที่เป็นเนี่เป็นปีปีเนี่ยเรื้อรังเนี่ยหายแล้วก็ทําตามที่หมอนแนะนําคือให้อภัยพอให้อภัยเป็นไงความปวดก็หายไปในกรณีนี้เป็นตัวอย่างนะคนที่ป่วยกายนะเพราะใจเนี่ยใจป่วยก่อนร่างกายไม่เป็นอะไรนะเพราะใจป่วยนะ แล้วก็ไปทําให้กายเนี่ยนเะมีอาการเครียดขึ้มนมาปวดโ น, โนโด่นปวดนี่ปวดเพิ่ความดันขึ้นเยอะดังนั้นเราตระหนั้ว่าปวดกายไม่ค่อยหร่ยนะไอ้ปวดกายเนี่ยมันแย่กว่าบางทีทาไม่ตายได้ทั้งที่บางทีไม่เป็นอะไรเลยและขนาดคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนะี่ยร่างกายป่วยเลยเนะี่ยยังมีความปวดใจรับประทานอะไรกับคนที่มีความปวดอยู่แล้ว ไี้เราตระหนักก็ว่าเวลาเราป่วยเวลาเราป่วยขึ้นมาเนี่ยสำรวจใจของเราดูว่ามันมีความป่วยใจนะซึ่งส่วนใหญ่จะมีกลัววิตกคุณเครื่องโกรธทับแขนอันนี้จะทำอย่างไรถึงจะป่วยกายแต่จะไม่ป่วย อย่างแรกที่ควรทานะหนึ่งยอมรับยอมรับแปลว่าอย่าไปบน่นอย่าโวยวายอย่าตีโพยตีพายหลายคนเนี่ยพอเป็นขึ้นมาเนี่ยเขาป่วยก็อย่าตีโพยตีพายบ่นอดครวญเงยใจทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นถามรู้ไหมว่าการโอดควรแบบนั้นเนี่ยการคิดแบบนั้นเนี่ยมันซ้ําเติมด้วย ป่วยการยังไม่เพมยพอป่วยใจด้วยและคนเราเนี่ยเราจะมีเหตุผลในการที่จะไม่ยอมรับหลายคนมักจะคิดว่าฉันไม่น่าจะฉันไม่น่าจะป่วยเหตุผลที่ไม่น่าป่วยเพราะเช่นฉันทําบุญมาบ้ากฉันทำบุญกุศลมาเยอะฉันไม่เคยผิดศีลฉันให้ ทางเป็นประจำมีผู้หญิงบนหนึ่งนะผู้ชายจะเป็นคนที่ตั้งแต่นหนุมเลยนะแกก็พยายามรักษาศีลพยายามทำบุญนะเข้าวัดเป็นประจำและทุกครั้งที่แกไปทำบุญเนี่ยแกเข้าวัดเนี่ยแกก็มีความเชื่ออยู่เสมอนะว่าการทำเช่นนั้นเนี่ย จะทำให้มีความสุขความเจริญมีอายุวันน่าสุขสัน德จะทำให้อายุยืนจะไม่เจ็บไม่ป่วยเราจะมาช่วยอะไรคนก็เข้าวัดเรือไปทำบุญด้วยความคาดหวังแบบนี้พอยุตสี่สิบกว่าเพราะว่าเตือนเป็นมะเร็งผิดหวังมากรู้สึกถูกหลอก อ๋อหมายว่าทําบุญแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุบรรณสุขสาายแนละ้วจะยอมรับไม่ได้นะไอคนที่มันคนชั่วติดศีลมันมนีอ ย, ยุยืนมันมันไม่ป่วยนะแต่ฉันเนี่ยป่วยโกรธมากเลยนะไม่ยอมรับยอมรับไม่ได้ที่ฉันป่วยและตลอดเวลาก็ไม่มีความสุข กอตายก็ ต, ต, ตายไม่สงบนะพู้หญิคนหนึ่งเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากกินอาหารชีวิตจิตนัโทโคแบลติกเป็นประจำอาหารสุขภาพที่ไหนมีก็ไปหาซื้อมาโคควิวเทนสะไปรูไลน่านะน้ำดา่างอัลคาไลน์แหงแค่ไหนก็ไปซื้อมาเอากาลังกายด้วยนะ เป็นประจําด้วยความเชื่อว่าจะทําให้เธอไม่เป็นมะเร็งจะทําให้เธอมีสุขภาพดีแล้วจูๆ่ๆเธอเพิ่งตรวจเธอเป็นมะเร็งยอมรับไม่ได้ไอคนกินเหล้าสูงเปรีมันมันไม่เป็นอะไรไอฉันดูแลสุขภาพดีกันเป็นไม่เป็นทํารู้สึกถูกหลอถูกหลอรลวงจะโกรธมากนะระบายความโกรธใส่หมอใสพ่พยาบาลที่ดูแล แต่เร า, าไม่มีใครอ ย, อยากจะเข้าใกล้กลายเตือ้องตลอดเวลาถึงเวลาตาย ก, ก็ตายไม่สงบอันนี้เรียกว่าป่วยกายไม่พอป่วยใจยแล้วก็ซ้ําเติมตัวเองจะทุกข์มากผู้ชายบคนก็ทุกข์เพราะไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับในจิตมันก็ดิ้นอะไรก็ตามมัไม่จะเล็กจะน้อยถ้าเราไม่ยอมรับนี่เราทุกข์ทันทีเลยนะ เสียโทรศัพท์ดังมาในกลางห้องเสียงคนจะซิปพูดคุยกันในห้องมันเป็นเสียงเบาๆแต่พอเราไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยเราทุกเข่เาเราเงียบเราคลายมันเลยแต่เถึงแต่เราปรับใจยอมรับมันเออช่างมันนะยังไงเสียงมันก็ยังเบาเสียงสมาจารกาเยอะนะก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรใจที่ไม่ยอมรับนเนี่ยคือเหตุแห่งความทุกข์นะแต่คนไม่ตัณหนักนะและสิ่งที่เราจะช่วยสิ่งที่เราจะช่วย ให้ตัวเองเนี่ยทุกน้อยลงนะในทางใจก็คือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบ่นไว้วยที่ป่วยที่พาก็ไมมีประโยชน์จะบ่นทำไมว่าทาไมถึงต้องเป็นชั้นที่จริงหน้าถามแว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เพราะว่าใครต่อใครผก็เป็นกันทุกวันนี้เราก็ย่อมเราแต่ละคนย่อมรู้จักเพื่อนยากหรือมียากที่ป่วยเดินมะเร็งอย่างน้อยก็หนึ่งคน เด็ที่ตายด้วยมาเร็งอย่างหมอคนหนึ่งคนกันทั้งนั้นบางทีคนในครอบครัวก็ตายาเพราะมะเร็กด้วยซ้ำเพราะฉันจะเป็นเราไม่ได้เชื่ออยู่การยอมรับใ่มันช่วยทำให้ใจในสงบลงและกายจะป่วยมีหมอคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนหมอขอดูประวัติ อ่านประวิแล้วหมอหมอก็หนักใจเพราะมันแคบตรงนี้เนี่ยเกิดเป็นใบเ็ใบหน้าเดเป็นเล็บที่ใบหน้าโดยที่ปากเกิดเบที่ปากมันอยู่ข้างในเนี่ยใบหน้าเนีย่ยอยู่ข้างนอกเลยเป็นแผลที่มันกินแก้งของเขาไปแล้วก็บางส่วนของจมูกแล้วก็ปากต้องเอาผ้ากอนเนี่ยปิดแผลไว้คนที่ไป็นโรคมาเล่นนี้เนี่ยชนิดเนี่ยปวดมากไม่ได้แค่ปวดใจปวดใจเพราะว่า มักจะไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอผู้คนกลัว ค, คนเห็นกลัว ค, คนรังเกียจแล้วที่จริงออกไปในที่โร่งแจ้งก็ไม่เคยได้เพราะว่าแผลเนี่ยมันจะตอบสนองมันจะไวต่อแสงแดดมากเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเป็นโรงที่ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างห้องแบบเ น, นี้มีการติดติดมา่านปิด ม, าดมา่านพรางพางแดดเอาไวา้แล้วลองที่ดูคนที่อยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยนะไม่ไม่ไม ไมื่อจะเจอผู้คนแล้วคนก็ไม่คอยอยากจะมาหาเนี่ยจะมีความทุกข์ใจใจห่อเทียวซึมเศร้าหรือแม่ก็ก้าวร้ออาวกาดเกรียวในอเมริกาในคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ตายท่าตัวตายเนี่ยหนึ 1, 4, ่งในสี่ยี่สิบห้าป็นสูงมากนะหมอคนที่เป็นผู้หญิงจะต้องหนักใจเพราะว่ากลัวเจอคนไขยที่เย็ระบายอารมณ์ใส่แต่พอไปถึงบ้าน ก็ติดคาดเพราะหมอเพาะคนไข้เนี่ยประโยชน์แรกที่ถามหมอคือ่าหมอเป็นยังไงสบายดีไหมาถามมาที่แสดงว่าเออใช้ได้นะถ้าถามว่ามาทำไมเนี่ยนะอะไรแย่นะคือการที่คนไข้าถามหมอเนี่ยสบายดีไหมแสดงว่าเขาแคร์เขาใส่ใจนิดนึงแสดงว่าเขาไม่เครียดเขาไม่หนุนปีกเรืรหมอก็คนไข้ทีแแ่แกเนี่ยเขาที่แบบปวดมากนะแต่ว่าแกค่นข้างเหมือนปฏิบั ต, ติตัวเป็นคนปกติ ในชีวิแกจะไม่เหมือนคนทั่วไปออกไปเดินเหมือนไม่ได้ที่ประจําวันแกก็วาดรูปฝนะันใครทีก่กะพบก็ได้มีการคุยกันแกก็เล่าว่าสมัยที่แกเป็นหนุ่มเนี่ยแกกินเหล้าสูุปรีเยอะเมาหัวลานนะ้ำนะมีครอบครัวมีลูกก็ต้องอย่ากันลูกก็ต้องไปเรียกับเมียแกพูดไปเนี่ยก็เหมือนแกแกตระหนักว่าไอ้ที่แกป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะเพราะพฤติกรรมแบบ น, นี้ นั่นคือเหตผลที่เขาไมแกยอมรับความเจ็บป่วยได้แต่เหตุผลีกเหตุผนที่เราไป่แก่ยอมรับความเจ็บป่วยได้เนี่ยก็คือว่างๆแกไ ม, ไม่ทัดก็ได้ทําอะไรแกก็เปิดโทรทัศน์ดูช่อง CNN c ง n นี่มันเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงแล้วข่าวแต่ละวันเนี่ยมันก็มีมันจะมีเรื่องประเภทแทนดินไว้ น, น้านพวกพวกพิษกระเพาะปวดนจากยิ้มโหยโรคระบาดระเบิด ก า, การตอบการร้ายสงครามอยดูไปดูไปใจตั้งแต่คิดนะเออคนเราเนี่ยนะไม่ว่าอยู่มูลไหนของโลกไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันทุกทุกนั้นมองเห็นตรงนี่แกก็มันลึกถึงย้อนมองไปตัวที่ตัวแกว่าไอ้ความทุกข์ของแกเนี่ยมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ของมนุษย์มันเป็นธรรมดาอ๋อเห็นนี่แกยอมรับเลยนะเออแต่ความทุกข์ของเราเป็นธรรมดาโลก การที่ยอมรับความเจ็บป่วด้ะทำให้แกเนี่ยใจไม่ทุกข์ความปวดกายันมีแต่พอใจไม่ทุกข์นะมันก็พอทนไหวแกก็เลยไม่มีอาการก้าวร้าวเครียดนะไม่ว่ากับหมออยู่กับพันหมอบอกหมอลยบอกแกว่าแกจะอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่ว่าแก ปั้นใจว่าจะอยู่ให้นานที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเพราะที่ผ่านมาไม่เคยอยู่กับลูกเลยก็พยายามดูแลตัวเองนันไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อลูก ป, ปรากฏแกรีได้ดีช่วงที่ใจมีชีวิตใจก็ไม่ได้ก้าวร้าวโกรธเหมือนกับสองคนที่อาตมาพูดถึงถ้าถึงเวลาตายใจก็ตายชุนไปนี่เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่าพอยอมรับความจริงได้แล้วรับความเจ็บป่วยได้ใจมันสงบ ใจมันมันหยุดบน่นมันหยุดวอยวายแล้วที่แกจะรับความจริงได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะหนึ่งพฤติกรรมที่สูญเสียอีกส่วนที่สำคัญก็คือแกเห็นว่ามันเป็นธรรมดาโลกเป็นความเจ็บปนะ่วยแกไม่เคยเข้าวัดนะแต่แกเห็นธรรมมาจากเสียนึลหลายคนเข้าวัดแต่ไม่เก็ตอะไรเลยนะั้นเวลาป่วยก็ยังวยวายจีปโวยจีพายนะอันนี้เพราะว่าเข้าวัดไม่เก็น เข้าวัดแล้วเนบางทีไม่ได้ฉลาดขึ้นนะยังมีความยึดติดถรือมัน่นกว่าต้องไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าแบบนี้เนี่ยเวาเจ็บป่วยขึ้นมาันทุกใจมากแต่ถึงแม้ไปเข้าวัดแต่นี่ความจริงจากโทรทัศน์จากข่าวสารก็ทําให้ใจไม่ป่วยได้ยอมรับเนี่ยเป็นข้อแรกเลยนะที่ทําให้ใจไม่ป่วยประรที่สองเนี่ย การที่เรามีศรัทธาในสิ่งใดโดยถ้ า, ถ, าถ้าเรามีศรัทธาในในสิ่งที่เราถือว่าสูงเป็นตัวแทนอย่างความดีงามเช่นพระรัตนตรัยเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเราเรามีมนุษสติเรา ล, ลึกถึงสิ่งที่เราศรัทธามันช่วยบรรเทาความปวดได้คุณยายมันมีแต่เป็นบริเด็นที่ลำไส้หรือที่โรงพยาบาลจะก็บน่นจะก็ร้องทุกข์ครางว่าปวด พยาบาลมาเยี่ยมโพยาบาลไม่เห็นพยาบาลคนนี้ก็เก่ง น, นะคุณเอื้อจิตอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมปกติโพยาบาลจะถามคุณไขว่าปวดกี่คนะแนนแล้วมันมีสกอร์เรียกเพนสกอร์คะแนนความปวด0ถึง10 10นะนี่คือทนไม่ไหวแต่โพยาบาลคนนี้ถามแปลกไม่ได้ถามว่าปวดกี่คะแนนแต่ถามว่าในชีวินี้ ยายทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบทันทีเลยหลอกพระเมื่อสิบกว่าปีก่อนยา ย, นยไปหลอกพระพระนิสาเนี่ยการหลอกพระเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นมหาบุญสส่วนใหญ่ก็ทําได้แต่ทอดพระปาทกระถีนนั่นา น, นา น, น, า น, น, า น, น, านที่มีโอกาสเนีหลอกพระสร้างพระผ่านมาสิบกว่าปียายก็จําได้เบวันถามว่ายายจาได้ไหมายายใส่เสื้อสีอะไรวันนั้นรุ่มพาเสีอะไรยายจาได้หมดแล้วยายก็คุยเหตุการณ์ในวันนั้น พยาบาลก็ได้โอกาสสักถามยายก็คุยอย่างมีความสุขคุยไปประมาณสักสิบยี่สินาทีจู่ๆยายก็พูดขึ้นมาเออแปลงนะหมอจะเยียกยวบาหมอคนหายปวดไปเยอะเลยความปวดหายไปเลยเพราะอะไรฮะเพราะใจใจไปอยู่กับสิ่งที่ดัวเองศรัทธาก็คือบุญกุศลหรือพระธนรมตรายจริงเนี่ยนะ เพียแค่ใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดเนี่ย น, นะมันก็ทําให้หายปวดได้เรียกว่าลืมปวดยายไม่ปวดเพราะหนึ่งเนี่ยยายลืมปวดคนเราเนี่ยเวลาปวดนะใจเนี่ยมันไม่มจะไปะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ปวดใช่ไหมใจมันไปจดจอ่อทั้งที่เราไม่ชอบความปวดนะแต่ใจมันยิ่งยิ่งไปจดจอ่อนั่นก็แปลกนะสิ่งที่ทําให้ใจทุ่มนะแต่ใจมันไปจดจอ่อ แต่ถ้าใจนะไปจดจ่อสิ่งอื่นนะมันลืมปวดนะไระสาทเราเคยเป็นเรือร่องตอนเด็กๆวัยรุ่นเลยนะตอนนั่งน้ำขวนล้ำแข็งทั้งคืนเลยแต่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยะะ้วท่านที่นั่งขัดสมาธินะเพราะอะไรฮนะเราะใจไปจดจ่ออยู่กับไพ่ในมือนะที่ถือตีอดัมมียันเพลินนะลืมปวด <c oughs> <c oughs> นะเนี่ขณะเราเป็นรุ่นแถวหลรงเก น, นะเราเคยลืมปวดหลายครั้งนะเพราะใจจดจ่ออยู่กับไพย มันก็ลืมความปวดที่ขาแต่กรณีของคุญยายนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลืมปวดนะมันยังมีเหตุผลอีกเหตุผลนึ่งคือว่าจิตจปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรื่อศรัทธาจิตก็จะเกิดความปราโมผู้ศรัทธาจดว่าเมื่อมีศรัทธาก็จะเกิดปราโมปราโมคือความเบิกบานใจจากปราโมก็จะเกิดปิติความอิ่มเฟืองใจมันใกล้กันนะแต่มันก็วยศาสร์นาจะแยก ราโมทกับไปเดียวกันแล้วจะเกิดปัสสัต t h คือความผ่อนคลายกายใจตามมาด้วยความสุขแล้วก็นำไปสู่สมาธิศ ร, รัทธาปราโมทติดติปัสสัต t h สุขในสมาธิการที่คุณยายเนี่ยได้ระลึกนึถึงการที่ได้ไปทําบุญได้ไปหล่อพระเนี่ยได้ระลึกถึงสิ่งที่เรีนศรัทธาเนี่ยมันทำให้จิตใจเกิดความสุขไอ้ความปวดเนี่ยมันก็คลาย ที่จริงมันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกทางใจนะในทางวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อเรามีศรัทธาหรือเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดมีสมาธิกับสิ่งใดเนี่ยมันจะมีสารบางตัวหลั่งออกมาในร่างกายเราเรียกว่าสารที่ช่วยระงับความปวดซึ่งมีเยอะเอ็นโดฟินโดพา ม, มีเซโรโทนินสารพวกนี้มันช่วยไประงับความปวด มันทำหน้าที่คล้ายๆกับยาลรล้วัปวดแต่ทําคนละแบบแต่ผลเหมือน ก, นกันก็คือว่าหายปวดหรือว่าความปวดมันเทาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เป็นความสุขที่ใจหรือไม่ใช่อุปทานแต่มันเป็นความรู้สึกที่กายเนี่ยปวดน้อยลงไอ้นนคนเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีศรัทธาในสิ่งใดๆเนี่ยโดยเฉพาสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นเป็นของสูงเนี่ยแล้วเรา นึกถึงที่ไดแล้วใจกวเกิดความมนปิติเนี่ยเป็นของดีหลายคนเนี่ยนะเขามีสิ่งนี้อยู่ในอยู่ในอยูในใจิตใจเวลาป่วยเขาเลนถึงบุญที่ก็ได้ทำก็จะป่วยแต่ใจใจไม่ป่วยาการช่วนคนป่วยทำบุญการชวนคนป่วยสวดมนต์นะอันนี้ช่วยได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่คนไข้เนี่ยเขาิศรัทธาอยู่แล้วนะ ก็าามีศรัทธานะไปบังคับให้เก็ไปสวดมนต์นิดมันไม่ดีนะหรือไปเปิดเทพธรรมะหรเปิดเทพสวดมนต์ให้เขาฟังอาจจะได้ผลน้อยกว่าดีน้อยกว่าฟังศูนย์ธารพรที่เจ้าตัวว่าเขาชอบฟังศูนย์ธารพรเนียแต่ก็ฟังไปสูนย์ธารพรเนี่ยแต่ไปบังคับให้เขาฟังจินตบัญชรอะไรเลยนะเขาอาจจะรู้สึกต่อต้านแต่ถ้าเขามีพื้นฐานในเรื่องทางบุญกุศลเนี่ยนะ มันจะปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ง่ายและศรัทธาเนี่ยจะช่วยทำให้เขาคลายความปวดนอกจากศรัทธาแล้วเนี่ยยังมีกุศลธรรมตัวอื่นอีกที่ช่วยให้ป่วยกายใจไม่ปว่วยนะรกอย่าง เ, เช่นเมตตาเมตตาการเมตตาหมายถึงความปรารถนาดีต่อคนอื่น การคิดถึงคนอื่นมีตัวอย่างที่อาตมาชอบเล่านะน้องโยเนี่ยน้องโยจะเป็นเด็กชายที่เจ็บกลัววันนึงก็ป้าก็ชวนน้องโยซ้อนมอตรไซค์เข้าไปในเมืองนักประถมเขาก็เกิดบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์มีการชนกันรถมอเตอร์ไซค์พังเยิ้มๆป้านี่แขนถักไป็นข้าวแต่น้องเโยวน้องโยเนี่ยหนักสุด ข, ขาเละ ไข้ึ่งก็รีบพาขึ้นรถโรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลตลอดท้าเนี่ยป้าโอดโอยร้องครวญครางน้องโยแต่น้องโยนเงนีเงียบไม่ร้องเลยไปถึงห้องผ่าตัดหมอก็ผ่ า, ผ า, ผาตัดจนเสร็จหมอก็ถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องน้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจไปน้องโยเนี่ยคิดถึงป้า น้งโยเห็นป้ า, ร, าปร้องเบึ้มคลางเนี่ยน้องโยก็ก็รู้ว่าไม่อยากจะทำให้ป้าทุกข์มากกว่า น, นี้ก็เลยพยายามกดสะกดกั้นความความความปวดเอาไว้ขาเล่กมันปวดมากนะแต่ว่าความนึกถึงคนอื่นแล้วเนี่ยไอ้ความทุกความปวดวมันเกิดกลายเป็นเรื่องเล็กเนยเวลาเราเวลาเราเวลาเร า, เ ว, า, เ, ราเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยการกนึ้ถึงคนอื่นหรือการช่วยคนอื่นมันช่วยเยยาวด้วย เด็กหญิงคนหนึ่งจะเป็นไมเกลนเป็นประจำเลยต้องกินยาทุกวันแล้วก็มีครามนึงเธอไปเป็นจิตอาสาให้กับบ้านบ้านป่าเกรดดูแลเด็กที่ยากไร่เด็กที่ถูกทิ้งมีเด็นร้อยที่เลี้ยงไม่พอต้องรับจิตอาสาเธอก็ไปเป็นจิตอาสาอาทิตย์ละสองวันไปเป็นจิตอาสาได้สักสองสามอาทิตย์อยู่วันหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า ก็ลืมกินยาปกติกินยาทุกวันแต่ทําไมเนี่ยแล้วหลังลืมกินยาเพราะอนะไรใช่ไหะเพราะไม่ปวดทําไมไม่ปวดก็เ พ, เพราะว่ามีความสุ่อาการมีแลเลยใจเราไปอยู่กับเด็กแล้วดีความปีติที่ได้ดูแลไปหายปวดเลยเพอหายปวดก็ลืมกินยาใช่ไหม อันนี้มันเป็นอาสองของเมตตานะเป็นอาสงอาสงการที่ไปช่วยผู้อื่นเพื่อจะมาเป็นบาทหลวงนะเล่าว่าเคยไปเยี่ยมลูกศิษคนหนึ่งอายุสิบเจ็ดเป็นผู้หญิงเธอไป็นโรคพุ่มพวงและอาการก็ลุกุลกลาม น, นอนแบบที่โรงพยาบาลจะพาแล้วก็พาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไหวแนละ้วพอไปถึงเนี่ยลูกศิษคนป่วยเนี่ยก็ตัดข้อว่า ทำไมพระเจ้าเนี่ยทาให้หนูเป็นแบบนี้บาหลุก็บอกว่าพ่อก็ไม่ทราบหรอกนะว่าทำไมพระพระพระพร ะ, พระเจ้ามีพระประสมกาแบบนี้แต่อยากจะให้คุณเนี่ยทำอย่างหนึ่งนะสองอย่างคือหนึ่งสวดภาวนาถึงพระองค์แล้วก็ให้สวดให้กับคนป่วยที่อยู่ในหอเดียวกัน อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็มอบรูปกระคำให้แล้วท่านก็มีเหตุให้ต้องเดินทางข้าอีสานเป็นเดือนสมัยนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือนะมันก็เกิดที่สิบปีมาแนละ้วกลับมากรุงเทพก็รีบไปเยี่ยมลูกสิบปกว่าเธอเสียชีวิตแล้วแต่สิ่งที่บาทหลวงท่านนั้นประหลาดใจ ก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยพูดถึงผู้หญิงคนนี้เนี่ยด้วยความชื่นชมมีบางคนก็เล่าว่าเนี่ยหลังจากที่บาดหลวงไปแล้วเนี่ยเธอก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้กําลังใจผู้คนที่ป่วยบางทีก็พาเข้าเดินพาเข้าห้องน้ำํำที่เป็นคนแก่บางทีก็ช่วยตักน้ำให้ช่วยลินน้ําให้ บางคนเนี่ยสุขภาพแย่กับเธอเ่งแต่เธอเนี่ยปูได้กุจอช่วยเหลือเขามันต่างจากภาพที่บาดหัวงเนี่ยเห็นตอนที่ไปเยื่ยมเธอแล้วก็ผู้เป่วยก็เล่าว่าตอนที่เธอเสียชีวิตก็เสียชีวิตอย่างสงบไม้ในการทุรนทุรายอันนี้มันมันเป็นมันเป็นความทิดเปลี่ยนนะของคนไข้ซึ่งชี้เห็นเลยนะว่า พอคนไข้เนี่ยนะนึกถึงคนอื่นสายใจคนอื่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ด้วยกันนะไอความที่มันติดใ จ, จมันที่คลายที่เคยโบนที่เคยตัดพพ้อที่เคยไม่มีเรี่ยวมิดไม่มีแรงไม่มีกติกาใจมันกลับมานะมีชีวิตชีวาแต่ว่าเนื่อนจากร่วคของเธอเนี่ยมัน รุกลามไปเยอะแล้วนะี่สุก็ต้องตายแต่ว่าใจนี่ย น, นะก็สงบได้ความเมตตาที่ยังรวมถึงเมตตาต่อร่างกายของเราคนเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่นะเลยเพราะถ้ามีความปวดเกิดขึ้นนะบางค้างนี้เราเผลอโรกรธเกลียดลำไส้โรกรธกระเพาะ นะโกรธเอาไว้ว่าที่มันเจ็บปวดแล้วถ้าเราเผลอโกรธนั้นมันจะทุกข์มากแผนใม้ตายเขานะแผนให้ตายให้แม้กระทั่งไอ้ตัวก้อนมะเร็งที่มันอยู่ในร่างกายเราหรือความเจ็บป่วยที่เกิดกับเรามีพิยมาเนื้อเป็ น, เ ป, นเป็นโรคเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นเป็นโรคผื่นหลังชนได้อยู่งนะซึ่ง เธอเป็นเนี่ยในระดับที่แรงเธอต้อง น, อน้นอยนบนใบรองนะเพราะว่ามันมีมันมีน้ําเหลือออกมาปวดแต่เธอใช้ยาแล้วก็ปวดน้อยมากอะไรทําให้เธอสามารถอยู่กับโลกนี้ได้โดยที่ไม่ค่อยรู้สึกปวดเท่าไหร่เธอเป็นคนที่ชอบทําบุญนะเวลาจะทําบุญเนี่ยเธอก็จะพูดกับสเก็ตเงินว่าสเก็ตเงินวันนี้ฉันทําบุญมานะ เธอก็ถ้าเธอจะไปก็เอามุญของช่าไปด้วยนะแต่เธอถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาทชงกินมันแรงเธออาจจะตายได้ที่หน้ามีแม่ตายสเก็นเงินนะสเก็ตเงินมันจะรับรู้จริงหรือเปล่ามืนเราไม่รู้นะเราไม่รู้วสเก็ตเงินยังมันจะรับรู้แม่ตายเธอหรล่าแต่ที่หน้คือพอเธอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเธอมีแม่ตายตรงเนี้ยใจเธอจะสุขนะแต่ถ้าเธอเกลีย้สเก็ต ไอ้เรื่อยย่ำหมเนะี่ยโอ้โหเธอต้องทรามานมากเลยนะใช่ไหมสติเงี้ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยนะี่ยแต่เธอที่แบบนี้เธอทุกข์แล้วหแต่ทางตรงข้ามวก็เธอแผนแมตตาให้เนยะไม่มีความเกลียดโร ก, กรธสกเฉลิมใจเธอก็เนสุขอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมะเร็งก็จะมันก็จะมาลุกลามเหมือนพวกมันก็จะโวรเอาตอนที่เธอเนี่ยจะหลับจะนอนเธอก็จะพูดกับมะเร็งว่าเนี่ยมะเร็งนะ ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วแฉงก็จะนอนเธอก็จะนอนนะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันใหม่นั้นมปลาพอนะเธอร้องเพลงกล่อมลูกให้มะเล็งฟังนะคือมีได้ตากับมะเร็งเหมือนกับว่าเป็นมีแม่ตาต่อลูกมะเล็งมันจะรับลูกหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะแต่การที่เธอมีแม่ตาแบบนี้เนะี่ยมันดีกับใจของเธอ ก็ทำให้เธอสามารถอยู่กับมะเร็งอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ยงยาหลังยาแล้วก็ปวดนะผู้ถึงการยอมรับพูดถึงศรัทธาพูดถึงเมตตาแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันมันมีผลโดยตรงเลยนะเพราะว่า พอเรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจก็ดีสมาธิอยู่กับส่วนในส่วนของร่างกายก็ดีหรือแล้กะทั่งสมาธิที่กำหนดอยู่กับสิ่งภายนอกก็ดีเนี่ยมันทําให้เราลืมปวดนะแต่ทางใจเนี่ยมันเหตุใจเนี่ยแทนที่มาจดจ่ออยู่ความปวดที่ท้องที่หัวเนี่ยนะไปจดจอ่อยู่ที่สิ่งอื่นแทนก็จะลืมปวดคุณหมอเอเราไม่ได้หลักเคยเลาใ้ฟังว่าไปเยี่ยม อาจารย์แพทยคนหนึ่งอายุสี่สิบกว่าเช่นนี้นแต่เป็นมะเร็งแล้วมันก็ลาบินกาาระดูกเป็นระยะสุดท้ายคนไข้เนี่ยปวดมากยาแล้วก็ปวดที่ได้มาเนี่ยก็ไม่พอนะแล้วก็ขอมากกว่านะั้นก็ไม่ได้หมอให้เนีสามชั่วโมงแต่ว่าแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยฤทยาก็หมดแล้วหมออยากได้มอร์ฟีนแต่ว่าคนไข้ยอยากได้มอร์ฟีนหมอก็ให้ไม่ได้ เพราะว่าให้หมอฟิเนยมันก็จะไปมีผลต่อการกดการหายใจคนไข้ก็ต้องปวดปวดจทนทั่งต้องต้องลุกขึ้นมานอนไม่ได้นะลุกขึ้นมาก็นั่งแบบงอกองอขินเหงื่อเนี่ยไม่โตโตตัวนิซซี่ปากซี่คุณหมอมาลาเห็นก็เลยชวนทำสมาธิคนไข้บอกไม่เคยนั่งสมาธิ แล้วคุณหมอก็จะชวนแนะนาหายการหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเข้าพูดออกโทรคนไข้ก็ก็ทํานะทีแรกคุณหมอมาเราที่ว่าคนแท้ของทันได้ไม่เกินห้านาทีเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยนั่งห้านาทีก็ยังบ่นว่านานแต่กอห้านาทีผ่านไปคนไข้ก็ยังนั่งอยู่สิบนาทีผ่านไปสิบห้านาที 3ามนาทีแล้วก็คนไข้นั่งสี่สิบห้าห้าสิบนาทีและยิ่งนั่งก็ยิ่งดีนะหลังก็ตรงพอนั่งเสร็จลืมตาก็มีอาการผ่อนคลายเหนือเนี่ยที่ปวดเหมือนไม่ต้อกหายไปเลยนะปากเปนสีชมพูรู้สึกสดสชื่นคนไข้อัศจรรย์มาก คุณเวลาสงสัยว่าคุณไม่เคยนั่งสมาธิทําไมคุณทําได้นานอย่างนี้คนไข้ก็บอกว่าเนี่ยคงไม่พ่อเคยปกตินี่สมาธิตกงานพอสมาธิมาใช้กับลมหายใจมันก็ได้ผลนี่เป็นตัวอย่างนะคนเนี่ยพอมีสมาธินี่ยนะไอ้ความปวดมันก็ทุเลาลงนะเพราะเห็นคนสองอย่างนะคือหนึ่งเลิกปวดสองมันมีสารบางตัวที่หลังออกมา จากร่างการของเราที่ช่วยละงับความปวดได้าการฝึกสมาธินี่ช่วยนะแล้ฝึกฝึกใครที่เรายัไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยฝนะึกเอาไว้นฝะึกให้ฝึกสมาธิเอาไว้ถึงเวลาเจ็บปว่วยเราก็จะใช้มันเนี่ยบรรเทาความปวดไดออ้นอกจากนอยากสมาธิแล้วก็สติสติสมาธิเนี่ยมันทําให้เราลืมปวด แต่สติเนี่ยมันทำให้เราเห็นความปวดแต่กันนะัสมาธินเนี่ยมันเป็นการทําให้จิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอืน่นเหมือนกับว่าหันหลังให้ความปวดแต่สติเนี่ยมันเป็นมันช่วยทำให้เราเห็นความปวดแต่ไม่เข้าไปในความปวดนะทำให้เราเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวด มีคุณลุงคนนึงแจเป็นมะเร็ง น, นะที่ที่ลำไส้ปวดมากตอนนั้นยาก็เอาไม่อยู่จากนี่อยากเคยมีพื้นเคยมีประสบการณ์า ก, าการปฏิบัติทาการจลสติคุณลุงจะพูดด้วยภาษาแจว่าเนี่ยสติมันลึงจิตไว้ที่หวไหล่แล้วก็มาดูท้องที่ปวดความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าจิตเนี่ยมัน เห็นแค่ไปรับรู้ความปวดไม่ได้เข้าไปในความปวดครับนผะู้ย่างนี่นคือมันไม่มีการปรุงเป็นผู้ปวดเป็นกูผู้ปวดขึ้นมาผมพ่อเขียนฉันใช้คำพูอว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นและสิ่งที่ทําให้เราเห็นและอยาก็าไปเป็นนะั้นก็คือสติเวลาปวดเวลาเราเมื่อยเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะสึกปวดทั้งกายปวดทั้งใจบุบอิด ลำคาญแต่ถ้ามีสติพวกนี้ออกจิตกันถอนตัวมามาเห็นความปวดอันนี้ียกว่าดูเวทนาหรือว่าจะมาดูดูจิตที่มันไอ้อวยวาตีปตีภายบนควนครานก็ได้สติมันช่วยทำให้จิตที่มันโอดครวนโกรธเครืองเนี่ยมันสงบลงพอจิตสงบลงแล้วเนี่ย ใจก็สบายอันนี้เรว่าดูจิตใช้สติมาดูจิตหรือใช้สติมาดูเวทนาใช้สติดูเวทนาเห็นเวทนาแต่ไม่เข้าลปเปี่ยนเวทนาอันนี้ดูยากหน่อยแล้วมันช่วยได้เยอะทีเดียวนะนอกจากสติสมาธิแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่มีอา น, นิสงส์มากนคือปัญญา ปัญญาเนี่ยคือการเห็นการเห็นความจริงมันไม่แต่การเห็นความจริงพื้นพื้นนะ ว, ว่าความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดเป็นธรรมดาอย่างผู้ชายคนที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้าเนี่ยจะก็มีปัญญาในหลับพื้นๆ น, นะแต่มันช่วยได้เยอะคือว่าแกเห็นว่าความเจ็บปวดแกเนี่ยมันเป็นธรมดาของมนุษย์ เมื่อเห็นแล้วทำให้ใจยอมรับเมื่อจะยอมรับใจก็สงบไม่ดิน้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะแม้หัวมันจะบอกนะแม้จะรู้ด้วยเหตุผลนะว่าเจ็บป่วยตายเนี่ยหรือว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ใจมันจะไม่ยอมรับใจมันจะไม่เห็นว่าเป็นธรรมดา เรื่องนี้แปลกนะเพื่อนมีพยาบาลคนนึงเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนมาเยี่ยมพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนครปฐมเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนก็อธิายประมาณไล่ๆกับเธอแล้วก็สามสิบกว่าถึงสี่สิบแล้วพยาบาลก็ชวนไปที่ขอของเธอ ระหว่างทางก็เดินผ่านอาคารที่เ็าใช้เก็บศพแล้วก็เป็นที่ที่จะพาศพขึ้นรถกลับบ้านตอนที่เธอเดินผ่า น, นี่ยก็เห็นมีการเคลื่อนย้ายศพเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นศพเธออุทัยขึ้นมาเลยว่าตายจริงๆก็มีด้ยวยเหรอตายจริงๆก็มีด้ยวยเหรอเพราะว่าประสบ ก, การณ์เธอเนี่ยเธอเป็น คนทำหนังทำละครไอ้คนที่ตายเนี่ยนะตายเสรก็ฟืน้นนะเพราะละครเนี่ยใช่ไหมประสบการณ์ที่เธอทํำละครเนี่ยคนตายที่คนมันฟื้นทั้งนั้นอะ่ะแต่พอเจอพอเธอ เ, เจอคนตายเธออุทายก็บอกเฮ้ยตายจริดๆก็มีเรื่องกีไนาถาม น, นะเพราะเราต้งองมีเราคนเราทุกคนต้องตายใช่ไหมแต่ว่ า, ามันขีใจไม่ยอมรับ และยังเธอไม่เคยเห็นคนตายเพราะฉะนั้นการตายมันเป็นแค่สิ่งที่มีในหัวแต่ไม่เคยเจอคนตายแล้วเดี๋ยวนี้คนสมัยใหมเป็นอย่างนี้นะพอจะเจอคนตายทีน้อยร้อยสี่สิบห้าสิบเหมือนชาวบ้านชาวบ้านเห็นคนตายอย่างที่สองสขวบแล้วสองจีก่อนที่พระที่หมู่บ้านจะมามีพี่ดนคนตายที่สี่สิบห้าเกิดาเลยวคนทั้งหมู่บ้านก็ไปงานศพ เผาดี่อพอถึงเวลาจะเผาก่าอนที่จะขึ้นชงตะกรนก็เปิดฝาลงล้างหน้าศพไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เด็กก็มาดูนะเด็กเล็กๆแล้วเจอเนี่ยทุกเจอเนี่ยอย่างนี้เนี้ยทุกปีทุกปีกปีปละศพสองศพนะมันก็เริ่มซึมเริ่มยอมรับว่าความตายเป็นธรรมดา แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอนะ้ความเจ็บความป่วยและความตายมันแค่สิ่งที่ในหัวพอเจอเข้าก็ถอนใจไม่ได้ไม่สามารถจะ ย, ย้อนกลับมนเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นมันจริงแล้วมันก็เป็นธรรมดานะมันไม่ทุกมากนะอย่างผู้ชายคนที่ว่าแจกคไหนคนธรรมะธรรมโมมากคนที่เป็นบาลินป่าแต่ว่าแจ๊คพอเห็นว่าความเจ็บปวดเป็นธรรมดาแต่ก็ ยอมรับได้ไม่บวยว่าไม่มทิพลทิพายปัญญาขั้นที่สูงไปกว่านั้นคือการเห็นความจริงว่าภายในตั้งตัวเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามไม่ใชาเวลาป่วยเนี่ยมันเป็นการที่ป่วยจะไม่รู้สึกว่าฉันป่วยเวลาเจ็บก็จะรู้สึกก็จะรู้สึกวมันก็จะเห็นว่าเป็นกายที่เจ็บไม่ใช่ฉันเจ็บ ที่นี้ตามมาเพื่ใจก็สงบมีเรื่องลววเล่าว่าหลวงปู่ปุตตาเทวะโรท่านมรณภาพ20ปีแล้วนะตอนที่ท่านอายุสัก80ใจมั่งท่านก็ไปพ่านิ้วออกพาเสร็จสมัยนี้มีคงไม่ยังไม่ยังมีคงยังไ ม, ม่มปุตตาสาวนะพาเสร็จไม่ถึง15นาทีท่านก็บอกหมอเพื่อปายว่าไม่เป็นไรแล้วท่านยังชั่วแนละคือท่านจะกลับบ้านแล้ว จะกลับวันแล้วหมอพิบาตกใจปราดตลาดใจเพราะคนที่ผ่าเบากับท่านน้อยกว่ท่านเนีย่ยหลายคนก็อดกลัวแล้วปวดหงวงปู่นี่อายุมากแล้วเนี่ยกลับดูเหมือนไม่ปวดเลยก็เองสงสายหลวงปู่ไม้ปวดเหรอหลวงปู่่ตอบว่าปวดสิทําไมไม่ปวดร่างกายท่านก็เหมือนคนทั่วไปแหละทำไมจะไม่ปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยนะ คือลุอป่วยถ้ามีปัญญาเห็นนะว่าอ้ที่ปวดเนี่ยมันคือกายปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไปรู้สึกเลยนะเราไม่ได้สึว่ากายปวดเราสูวกูปวดมันเกิดทุกข์ไ mm hmm. งลุงอาจารย์วุฒาเัาบอกนะเวลามีบาดนิ้วนะั้นถ้าคนที่รู้สึกว่ามีบาดกูนะจะรู้สึกเจ็บกว่าคนที่มองมดหรือเห็นว่ามีบาดนิว้วใช่ไหม มีบาดนิ้น่ยนะนะกับมีบาดกูนี่ให้ความรู้สึกต่างกันนะคนที่เห็นว่ามีบาดนี้เ อ, นเออมันเป็นเรื่องกายใจก็อาจจะรู้สึกากายอาจจะอาจจะรู้สึกปวดบ้างแต่ว่าใจมันมันเฉยเฉยแต่คนที่รู้ว่ามีบาดกูเนี่ยนะรู้สึกปวดใจปวดด้วยและส่วนใหญ่คนที่ป่วยเนี่ยนะ ก็จะมีความรู้สึกแบบนี้จะไม่รู้สึกว่าจะไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความป่วยที่กายจะมีความสึกว่ากลป่วยกลัเจ็บเพราะฉะนอาจางบอกตั้แต่ต้นว่าคนเกิดร้อยทั้งร้อยเวลาป่วยกายมันไม่มันไม่ได้ป่วยกายมันป่วยใจเราจะมีความรู้สึกว่ากลัป่วยกูป่วยอยู่ด้วยซึ่งมันทําให้เกิดความรู้สึกโกรธความรู้สึกกลัวความรู้สึก วิตกกังวลอะไรต่างๆสารพัดตามมาั้นถ้ามีปัญญาเห็นน้ว่าเอ้ยมันไอ้ที่ป่วยเนี่ยมันกายป่วยนะไอ้ที่เจ็บนี่มันกายเจ็บนะมันไม่ใช่ป่วยเจ็บเนี่ยนะใจมันก็ไม่เป็นภูหรอกมีคานึ่งท่านไปท่านพาพระไปไปฉันในบ้านพระที่ไปกับท่านเน่ยก็เป็นพระหนุ่ม บ็กว่าอาหารมีพิษก็อาเจียนกันจนเป็นแถวเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อาเจียนจนหมดแรงหมดสภาพนอนหมดสภาพกผมก็อาเจียนนะแต่ท่าก็ยังนั่งคุยกับชาวบ้านได้กับเจา้าภาพท่านพยายามคุยให้เจ้าภาพสบายใจนะเจ้าภาพผิตใจเสียนะพาผ้ามาต้องมาเจอแบบนี้คุยสภาพแก็ลากกระโถนมาแล้วก็อาเจียนแล้วถ้าก็คุย่อ อาจย์โงว่าลงเสาร์ทไมหลวงปู่มีอะไรดีเหรอท่านก็พูดว่าเนี่ยท่านอธิบายว่าร่างกายเนี่ยมันก็ประกอบได้วยตีนน้ำไฟลมเวลาเจอยาเบื่อยามอมก็เป็นแบบนี้แหละเบื่อเจียนแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนด้วยอยี๋ยมาปนกันแค่เวลาเราป่วยเนี่ยนะใจไม่เคยป่วยนะ ใจมันก็ได้ป่วยนะความป่วยนะี่ที่เกิดขึ้นมาป่ยวยมันเกิดกับกายแต่พอไปพอเราไปยึดว่า ก, กูป่วยขึ้นมาเนี่ยใจมันทุกขันทีเลยเพราะเรามีความคิดมาสําคัญหมายในตัวกูของกูแต่ถ้ามีปัญญาจนเห็นว่ามันไม่มีตัวกูมันมีแต่กายกับใจเนี่ยนะไอ้ความป่วยก็เป็นเรื่องของกายไปใจไม่ถูกดันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นความจริงตรงนี้ได้ จริงๆแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยในระดับที่ง่ายไปกว่า น, นั้นนะมันก็มีนะเช่นการมองบวกป็นการมองบวกนี่ก็เป็นปัญญาด บ, บนเราจะมองทีว่อ้ปัญญาแบบที่ารย์พูดเป็นปัญญาของอาศัยการเจริญวิปัสสนาภาวนาตัวอย่างน้อยเนี่ยลองใช้วิธีการมองบวกอย่างที่อจะมาจะเล่าไปได้จามาไป พ, พาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรง ที่มารักษาตัวอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเข้าไปถ้าจะไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลไม่มีที่พักก็ต้องมาเข้าที่วัดจิตนาสาคนนึงก็ไปเจอเด็กวียสิบสองสิบสี่เป็นผู้หญิงผมร่วงหมดเลยเจอเป็นมาเล็กสมองแต่จิตนาสาแปลกใจเด็กคนนี้ดูยิ้นแย้มแจ่สใสโอภาพ า, พาสายชวนคุณเคลื่อนคุณให้พอเธอชวนจิตสาวารูป ศิลปะก็แปลกใจผมมีอมารมณ์มากลูกเนี่ยขึ mm ้นไปขึ้นม า, มาเธอก็บอกว่าเด็กก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีแยกเป็นเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองร mm hmm. ื้อริบเป็นแค่มะเร็งสมองเ mm hmm. นี่ยคือมองบวกนคือมองว่าอะไรเกิดกับเราเนี่ยมันดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ ลองมอแบบนี้บ้างก็ได้นั่นนี่เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นปัญญาแบบนึงนะเรียกว่าโยนิสโสมนาสิ ก, กานคือการฉลีดคิดฉลาดยมองเวลาคุณเป็นอะไรคุณลองเติมคำว่าแค่ลงไปเนี่ยมาจะกายเป็นเรื่องนี้นลยว่ถูกขโมยแค่โทรศัพท์มือถืเอเลยเนี่ยหรือถูกโกงแค่แสนเลงนะแต่ถ้าคุณไม่ไม่เติมคำว่าแค่เนะ่ยสิ บ, บาทยีสิบบาทคุณก็ถูกแล้ว ใช่ไหมแค่ปวดหัวป ว, วดท้องเนี่ยก็ก็ถุกนะมองบวกคือการมองว่าอย่างดีนะที่มันไม่ยากแต่แบบนี้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะหรือจะมองก็ได้เออความเจ็บปวดนี่มันมาทําให้เราได้พักมันมาทำให้เราได้เห็นว่ามีคนที่เขารักเราแค่ไหนมันมาทำให้เราได้ได้มาเห็นคำว่าสังขารไม่เที่ยงเนาะอาจารพุทธาบอกว่า ความจะบปวดมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของชีวิตให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงความไม่กีติรังยั่งยืนของชีวิตทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตความจะบปวดมาเตือนเราว่าวันนี้เจอแค่นี้วันหน้าจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทเล่นทงความดีเล่งสร้างบุญสมแลวเพราะฉะั้น เ, เนี่ยมันมี การที่จะป่วยกายเนี่ยนะแต่ไม่ป่วยใจนี่เป็นไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาก็ทําได้เมื่อตอนต้นอาจาเล่าถึงนกุลบิดาพระเสด็บุตรถามนกุลบิดาว่าทําไมหน้าตาท่านท่องใสนคุณบิดาก็เล่าว่าพระเจ้าได้แ น, นะนำท่านว่าให้กายป่วยแต่อย่าให้ใจป่วยนกุณบิดาก็ถามว่าท่านยังไงถึงจะให้ กายปวยใจไม่ป่วยพระชนมก็อธิบายว่าเมื่อใดก็ตามนะที่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายในรูปว่ารูปนี้เป็นของเราเมื่อใดก็ตามที่รูปเนี่ยแปรปรวนไป mm hmm. ก็จะไม่มีความโศกความร่ำไรลำพันไม่มีความทุกข์ทรมันไม่มีความขับแย่งใจ นี่แหละที่เรียกว่ากายป่วยใจไม่ป่วยก็คือว่าการมีปัญญาเห็นนะว่ากายนี่ไม่ใช่ของเรารูปนี่ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นปัญญาซึ่งถ้าเห็นเนี่ยนะมันก็จะทุกแต่กายใจไม่ทุกข์นัตมาก็เล่านะพอมาเป็นก็ทังเชียนว่ามันมีธรรมะอะไรบางที่ช่วยทําให้กายป่วยใจไม่ป่วยนะเช่นการยอรับความจริงนะ การมีศรัทธาในสิ่ดีงางมความเมตตามีสมาธิมีสติมีปัญญาก็คิดนะว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราพอสมควรวก็คงจะยึติดในเรื่องนี้ที่แล้วก็ให้เวลาสวดคาถาครับรวันนี้นะครับก็ะอาจารย์เบตต์จะเราไม่ถามคำถามนะครับดังนั้นท่านท่านผู้ใดนะครับที่ต้องการคําถาม ก็การที่จะถามก็การกระดาษปากกาก็ยกมือขึ้นนะครับไม่อนุญาตให้ถามสดนะครับเพราะว่าผู้ชมทางบ้านตอนนี้อยู่ทั่วโลกทางเว็บไซต์สุดแล้วนะครับผู้ชมทางบ้านจะไม่ได้ยินคาถามนะครับคำถามสดได้ยินจะพากันตอบที่อาจารยได้ได้นในสนะครับดังนั้นท่านใดต้องการประกาษกระดาับชื่อมต่อไปที่นะครับ ครับคำถามท่านก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านด้วยพอบานจปปราร์ก็เปิดโอกาสให้เราได้ถามคำถาทางด้านการปัจจุบันทำการใช้ชีวิตอะไรนะครับตอนนี้ปานจาร์ไม้ตาแล้วนะครับโอกาสที่ท่านจะได้นใกล้ชิดครูารคบานจาร์แบบนี้เนี่ยเห็น่็เรามีโอกาสเราสนใยอะไรเราก็ถามป้าจาร์ได้เลยนะครับช่วเขียนจหวัด น, นะครับใ ห, ให้ให้อ่านแล้วผมจะได้ ถามคำถามได้ชัดเจนชรเจ้าหนาที่ส่งกระดาษให้กระ ด, ดั้นถามหรือท่านใดต้องการนะครับก็ยกเว้ขึ้นนะครับผ่านการสอกระดาษนี้เราส่งให้ทา่าน การปฏิบัติประจาเดือนอาทิตย์ละเดือนละเจวันอนอกนั้นก็มีคนมาปฏิบัติ็นช่วงช่วงเช่นเราขอ<ม>นำพาปฏิบัติ3มวัน5้าวันก็มีเมื่อาทิตย์ที่แล้วก็มีแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีแล้วก็จะมีอยู่ตลอดนะอะตตมาก็จัดคอกอกระชงความตายสงบด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดที่วันแต จ, จัดข้างนอก กรุงเทพหรือต่างจังหวัดแล้วแต่คือจัดส่วนใหญ่จะเป็นต่างจังหวัดเช่นแถวกำแพงแสนหรือว่าแถวสรยาอยากที่ใยญ่ไกลกรุงเทพหอ่อยจะได้ไม่ต้องกลับบ้านอยาให้ค้างจะได้เป่อเนื่อครับ <c oughs> นะค้างเสร็จกลับมาก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าเหนื่อยบางทีโรงพยาบาลก็จัดมันจัดเยอะนะต่อมาก็เดินทางทั่วประเทศเพราะว่าโรงพยาบาล เขะจัดเขอนิมนต์ให้ไปเรีเรยเยี่ยงก่อนได้เพราะส่วนนี้ก็ปอติสามวันไปเจอความตายยังไงครับอาจารย์เป็นการทําความเข้าใจเรื่องความตายครับแล้วก็เป็นการส่วนให้เขาคิดว่าการตายดีในท่าสร้างเขาเคืออะไรให้เขาลองคิดถึงเรื่องการวางแผนดีไซน์การตายดีสําหรับเขาแล้วก็ ส่วนเขคุยเรื่องวิธีการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายช่วยเหลืานำทางจิตใจผู้ใกล้ตายซึ่งจะเป็นประอยชน์ตัวเองด้วยถึงเมื่อเราที่ตัวนี้ต้องตายก็ให้ที่ช่วยเหลือก็าเป็นยังไงก็มาใช้กับตัวเองรวมทั้งการพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งมีทั้งรยะสุดท้ายแล้วก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นเสมอเป็นครูบาอาจารย์ของเรา อันนี้ก็ก็เป็นกิจกรรมที่ทำในสามวันมีการเจริญสติทำสมาธิด้วยมากบางน้อยบางแล้วแต่คอร์สทำนิยมกันผมไม่อยากไปที่ผมเคยไปไปไปเยี่ยมพระอาจารย์นั่นนั่นเคยไปนั่นคือวัดป่านั่นคือวัดป่ามหาวัดแล้วาะมาก็ดูแลสองวัน กล้วอบคุหลงนี่จุดย็นก็คือมีวัดมีป่าเยอะสามพันไร่สามพันไร่ซึ่งที่ผ่านมาเดือนเมษาก็มีข่าวเพราะ่ถูกไฟไหม้ก็เสียหายไปเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามพื้นให้เขากลับมาปลูกป่าดูแลรักษาไฟไม่ให้มาลุกลามเข้าไปนี่ต้องทังทงกตีนะมีพระอาชารมีอะลรบงครับมก็มี ก็พอมีก็พยายามให้ใหทุกการทุกการงานมันเป็นการเจอสเตจเพื่อแล้วก็เพื่อพอักผอนได้พ น, นักงานผมจาได้สอปีมานะที่ไปไปอาวัจจาทีสุวรรมันก็เป็นป่านะครับเป็นป่านชาตินั่นคือว่าป่านมนาวันตาสุกโต้องก็มีป่านนะห้าร้อไล มันอยู่ในธรรมชาติมันก็เป็นความสุขนะครับาจารยุงเทศมันเป็นแหล่งความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจคนเราน่าจสัมผัสกับธรรมชาตินะในเทศเขามีการวิจัยในประเทศฮอลแลนด์ว่าคนที่อย so ู่ในพื้นที่รัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะน้อยเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคเบาหวานใช่คือท่อไอ้เบาหวานเนี่ยกับพื้นที่สีกเขียวต่างมันมีผลยังไงต่อมาก็ไม่แน่ไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันมีผลมันมีผลก็คือผเนี่ยเก็ดน้อยลงก็คือความไมเกรโกนโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงว่าร่างกายและใจของเราเนี่ยเชื่อมกับธรรมชาติถ้าเราแยกขาดจากธรรมชาติเท่าไหร่แาจะอยู่ในที่ที่สุดสบายสุดสะดวกสบา ย, ยแต่ว่าในระยะยาวเรสุข ภ, ภาพก็จะแย่ คนป่วยเนี่ยถ้าหากว่าได้อยู่ใกล้ธรรมชาติก็จะฟื้นตัวได้เร็วรวมทั้งคนที่ผ่าตัดแล้วก็รอการฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วถ้าถ้าเพียงแต่เห็นธรรมชาติผ่านผ่านหน้าต่างนะไม่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติแค่เห็นท้องฟ้าเห็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยอย่างฉากข้างหลังนี่นะจิตใจก็สบายผมไม่มีของจริงผมแค่จำลองอันนั้นช่วยได้เยอะเลยนะ ท่านใดยจะไปเห็นขอจริงต้องไปวัดป่าสุตโตครับที่ที่วัดที่มาจารย์อยู่นะครับครับอันนี้มีคําถามกรับอาจารย์คำถามท่านแรกครับจิตยึกติดว่าสมบูติเป็นเราเป็นของเราจะแก้ไขอย่างไรเจ้าครับตัวให้จิต น, นั้นมาเห็นของจริงของจริงที่ว่านีค่คือก็คือกายและใจที่มันอยู่กับเราอยู่แล้ว การเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้เราได้เห็นความจริงชนิดที่ออกจากสมมุติได้ในสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยพระเจ้าก็จะแนะนําว่าให้ให้มองกายหพิจารณากายเนี่ยว่าเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นเวชนาว่าเป็นเวชนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนใหญ่นเนี่ยเรามักจะเห็นกายเนี่ยไม่ใช่กายแต่เห็นว่าเป็นเราเของเราเใช่ไหม <S <S ไอการเจิอสติมันช่วยทําให้เราเนี่ยเพิกถอนความคิดมันแอนตาความคิดในตัวกูเช่ <S <S านเวลาเราเดินถ้าเลยมีสตินเนี่ยเราจะเราจะเห็นว่ามันเป็นกายที่เดินไม่ใช่เราเดินเวลาเรามีสติเห็นความโกรธ ความฟุ้งร้างความเปลี่ยนเราจะเห็นว่ามันเป็นความปวดเป็นความเปลี่ยนความฟุ้งร้างมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราโปรธเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้ถอนตัวเราออกจากการทําโน่น mm hmm. การเป็นนี่นะ mm hmm. และทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยการเห็นของจริงเนี่ยนะครับเมืเราเห็นความจริงคือสัจธรรมเพะฉะนั mm hmm. ้นถ้าผู้สร้สางสร้างคือให้หมนันเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นประจำ กาา็ควิจารณาใช่ไหมครับฟังารใหม่ๆก็แค่ให้รู้ให้ให้รู้สึกให้รู้กายรู้ใจแต่เนไม่ตอาวิจารณาในความหมายที่ใช้ความคิดอะไรให้แค่รู้กายรู้ใจครับกายทําอะไรก็รู้รใจคิดอะไรก็รู้เอาแค่นี้ก่อนนะส่วนใหญ่กายทําอะไรไม่ค่อยรู้หรอกรนะเพราะว่าใจลอยนั่งอยู่นี่กายนั่นวิ่งใจไม่รู้ไปไหนละนี่ไม่รูารนะรบานะีกินเนี่ยนะไม่รู้กินนะเพราะใจรอยคิด เรงงานเรื่องการ ใ, ให้กลับให้ดึงจิตกรรมอยู่ในตัวมันก็จะรู้ว่ากายทําอะไรเวลาเกิดภาษาขึ้นมาเสียงกระทบหูรูปกระทบตาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้รู้ทันการทำสอย่านเนี่ยคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดหนึ่งอันนี้จะช่วยทําให้เราได้เห็นความจริงแล้วก็เลิกเพ้อถอนในตัวสมมุติคือเพราะตัว ไอตัวปู่ของ ป, ปู่ออกไปได้ปกตมทำอะไปกตทานอานหารที่ป้าจารย์บยังไม่รู้รสชาติสักะ ว, วันกินเรวทํ า, ายเใช่พราะฉะนั้นจารย์ที่เริ่มงานครับรย์คิดว่าจะทาอะไรต่อไปก็เลยไม่รู้สึกไม่รับรู้ว่ากายกำลังทาอะไรคทถามต่อไปครับอาจารย์ ทุกครั้งที่นั่งสมาธิมัดจะไม่สำเร็จจะมีอาการเหมือนตัวเองล้มลงพับคืนแลวจะมีอาการเหนืออ่อยเจ้าเจียนเป็นเพราะอะไรเจ้าคะจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่งการบังคับจิตรับเฉพาะคนที่นั่งสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความคาดหวังให้จิตสงบและดังนั้นเนี่ยจึงไปบังคับจิตไม่ให้คิด พย่ยามมาขับจิตให้ไปจดจ่อยอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ท้องอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและทํำบ่อยๆเนี่ยมันจะมีการแบบนี้ได้เร็วคือแน่นหน้า อ, อกหรือว่าปวดหั ว, วหรือว่าตัวแข็งตัวเกร็งนะวิธีแก้นั่นก็คือว่าให้เลิกทำในอีเอบที่ว่าอาจจะเปลี่ยนมาเปิดตาแทนแล้วก็เดินตรกตรง อย่นั่งนิ่งๆนะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการหลวงพเทียนนี่คือว่าเปิดตาแล้วก็ยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะนะครับมันจะสร้างความรู้สึกตัวอาการที่เป็นเนี่ยมแสดงว่ามไม่รู้สึกตัวนะจมเข้าไปในความคิดหรือว่ามีความเครียดความเครียดเกิดขึ้นเ <Okay. S 2> อย่าจะแนกว่าให้ลองเปลี่ยนวิธีแล้วก็เปิดตาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวคราะนี้เขาตั้งใจเกิดไปใช่ไหมครับตั้งใจเกินไปแล้วก็หยาบมาครับ คิดจะเอาการภาวนานีพอคิดจะเอาเนี่ยผิดละมีคนหนึ่งเนี่ยพูดกับหลวงพ่าเฟื่องโซติโกท่านร้อนนัภาคแล้วท่านอยู่วัรมศริตระยองผมภาวนาแล้วเจ็ดปีแล้วไม่เห็นได้เลยหลวพ่าเพื่อนเขาบอกว่าภาวนาเนี่ยภาวนาเพื่อนละไม่ใช่พิดจะเอาส่วนใหญ่นั่งสมาธิคิดจะเอาเท่านั้นแหละก็จะเป็นอย่างเนี้ย คำถามถ้าต่อไปครับอาจารย์การเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนต้องเป็นทุกเวทนาอยู่เสมอและจะทําอย่างไรแต่อาจารย์พูดว่าต้องผ่านรับนะั้นต้องอยอมรับพอต้องยอมรับนะั้นช่วยอธิบายในทางธรรมด้วยครับคือไอควาเจ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินและเข้าหัวใช่ไหมแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ยอมนะครับหัวสมองกับหัวใจเราเนี่ยมื่อกีมันก็ขัดแย้งกันหลายคนก็รู้ว่กินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีมีคิดไม่ดีแต่ใจเนี่ยมันไม่คอยตามคุณจะสูบบุหรี่คุจะกินเหล้าคุณมีคิดอ่ะใช่ไหมมันทะเลากันระห่าสมองหัวใจใช่ไห ม, ม, ม, ไหมเรื่อง ความตายก็เหมือนกันนะความเจ็บปวดก็เหมือนกันเราก็รู้นะจากการได้ยินได้ฟังว่าเกิแเกดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ใจมันก็ไม่ยอมรับเพราะว่าใจมันเนี่ยมันยึดมั่นถึงมันมาครับและอย่างนึงคือว่าชีวิตประจําวันเนี่ยมันล้มแล้วแต่โน้มน้าวให้เราไปยึดนมันแค่มันมันมีแต่ชวนให้เราเนี่ยหลงในความหมุนความสาวาดูโฆษณาทุกวันนี้เนี่ยนะมันมีแต่เรื่องโฆษณา เรื่องความหนุ่มความสาวทายังไงถึงจะสวยทำยังไงถึงจะหนุ่มทำยังไงถึงจะสาวใช่มแล้วมันทให้เราสิบลังเกียดความแก่ใะ่มันทให้เราลังเกียดบอก่ปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมมันเช่ชูเชื่อชูอย่างนะือ1ความหนุ่มสาว2ความสาเร็จ3เซ็กแล้วก็สความสนุกไอ้สตัวนี้เนี่ยนะพอเป็นหลงเพลินกับมันนะมันจะทาให้เราเนี่ย ยอมรับความแก่ความเจ็บและความตายไม่ได้แก่นี้ก็ยอมรับไม่ได้นะเห็นไหมถ้ถ้าผมหงอกเมื่อไหรเนี่ยเป็นทุกข์แล้วถ้าเดี่ยวย่นเมื่อไหร่เนี่ยเป็นทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้คนอายุยี่สิบก็ทุกข์แล้วนะว่าตัวแก่พราเป็นเทียบกับเด็กอายุสิบหกยี่สิบเนี่ยทุกข์แล้วนะว่าตัวแก่เนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยสังคมมันมันเป็นของที่เชื่อชูความหมูความสาวความสําเร็จเชื่อชูเรื่องเซ็กต์แก่เนี่ย แต่ที่ใบด่าเป็นทุกข์แล้ววัยเก่าจงขายดีคืออันนี้ต้องคือมันเป็นอิทธิพลของสังคมบริโภคนิยมที่ทําให้เราเนี่ยปฏิเสธความแก่ปฏิเสธ ค, ความเจ็บความป่วยเมื่อพูดถึงความตายะนะเดี๋ยวนี้เนี่ ย, ย, ยเขาว่าความตายเราก็ไม่ยัดไม่กล้าพูดแล้วเราต้องใช้คําว่าถึงแก่กรรมสิ้นลมนะจากไปนะการพูดคําว่าความตายเป็นคําไม่สุภาพ <c oughs> นะเป็นคำเป็นคำเป็นคำอุจจาร์าสังเกตดูนะ <c oughs> เราพยายามเลี่ยง <c oughs> คำว่าความตายนี่แสงวงว่าสังคมรเราเนี่ยปฏิเสธความตายสังคมเรา <c oughs> ปฏิเสธความแก่เพราะนั้นเนี่ยคำว่าเกิกดแยากจาตายในธรรมดาเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเป็นครั้งคราวแต่ใจเราไม่ยอมรับหรอกและบ่บชีว่าเราต้องเตือนใจอยู่เสมอนะมันมีบทสวดบทหนึ่งที่จมาชอบนะแล้วก <c oughs> ็คิดว่าพวกเราควรจะระลึกอยู่เสมอชื่อว่าอภินาปเจว มีห้าข้อเอาแค่สี่ข้อแรกก่อนแปลว่า1เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความแก่ไปไม่ได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพิ่ความตายไปไม่ได้ 4. เราจะพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นให้คุณระลึกอยู่เสมออ่านขา่ขนะขาวทั้งสืพิมนะดูข่าวโทรทัศน์ ก็เตือนจะให้เรารู้ถึงสี่ข้อนี้ใจมันจะค่อยๆเริ่มยอมรับได้แล้วถึงเว mm hmm. ลามันเกิดขึ้นกับเรานะ mm hmm. เราจะไม่โวยวายไม่กี่คน่กีบหายมากเพราะว่าเราได้ได้บอกใจของเราอยู่เสมอจนกระทั่งใจมันเริ่มจะยอมรับได้ mm hmm. นะแต่กิเลสของเราเนี่ยมันจะไม่ยอมนะ mm hmm. กิเลสของเราเนี่ยมันอยากจะมันอยากจะมันอยากจะยึด mm hmm. ในความหนุนความสาวในความในความกิรันยั่งยืน เวลาเราไปวัดเราเพงอยากจะฟังว่าให้ภระเทศว่าอายุวันโลคังทะลายครับสอนเรืงตายร่างไม่อยากฟังไปเล่าเรื่งองอาจารย์พิานาตาอีเรื่องเล่านะอาจารย์คนหนึ่งไปไปพูดไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้กับคณะนักศึกษาปริญญาโทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกข้าราชการเป็นคนทา ง, งานแล้วไม่ใช่เด็กๆนะก็แนะปลวุฒ เ, เนี่ย อาจารย์คันก็พูดถึงเรื่องพุทศาสนาแล้วก็พูดถึงว่าหัวใจพระศาสนาคือประไตลักษณ์แล้วประถามนักศึษาว่ารู้ไหมไตรลักษณ์เนี่ยคืออะไรนักสารนี่อาจารย์ก็เลยบอกไปให้อันนี้จังไงข้อสองอะไรเนี่ยทุกขังไงข้อสามล่ะพลังเอ๊ะพลังขึ้นมาเลยเข้าใจไหมครับถึงพลัง พอไปติดอยู่คําว่าอายุวันนโมสุขังพลังแต่อาจารย์ถามมาทุกขังเนี่ยแกไปนักษาไปนึกถึงพลังเนี่ยเพราะอะไรเพรคนไทยคุ้นกับอายุวันนโมสุขขังพลังเห็นไหมไปวัดก็ฟังอยากจะฟังแต่เรื่องเนี้ยไม่ฟังเรื่องิดารังทุกขานตาอาจารย์ถามไม่รู้แต่พออาจารย์พูดเรื่องทุกขังเนี่ยก็ไปนึกถึงสุขขังพลังพอเรื่องนี้คือเนี่ยคือกิเลสเนี่ยมันมันอยากจะทำให้เราได้มันอยากจะได้ยินคาว่า อยู่อายุยืนไปนานๆ น, นะอายุยืนนะสู่ครั้งพลังที่เรนไม่อยากจะฟังเรื่องอนิจจังผู้เขาหน้าตาไม่ยอมเราดันั้นเราไปวัดเนี่ยนะต้องหมั่นสนใจนะยอมรับอนิจจังผู้เขาหน้าตาแล้วมันจะช่วยเราได้เยอะนะอภ<ม>ินทราบจัตเวนี่นะมันช่วยทําให้เราพอมันเกิดความเจ็บความปวดเนี่ยเราทําใจได้เพราะเราเผื่อใจได้แล้วและพอเราป่วยจริงๆนะเราก็มอเอิมเป็นอนิจจามันเป็นนิจจัง มันเป็นทุกขงังคุณโยนให้มันเป็นเรื่องของอนัตตาโยนให้เป็นเรื่องของทุกขงักขงจจ์เนี่ยคุณจะสบายใจนะเวลาเสื่อมพังะป๊าคุณเสื่อขึ้นมาก็อ น, นิจจ์ทุกขังอนัตตามันจะเป็นคาถาที่ทําให้เราไม่ทายผ่านทุกข์เพราะยอมรับความจริงครับแต่ถ้าเราติดแต่คำว่าอายุวันสุ ข, ขังพลังนะบาดเจ็บปอด่มาหัมันไม่ยอมรับเลยมันหลอกตัวเองนะครับมีเรื่องเล่านะ น, นี้ครั บ, ค, รบคุณหมอท่านหนึ่งเนะี่ย คุณหมอบัญชาเมาว่วานนี้อตาตมาผู้กำกังานศพของคุณแม่ท่านคุณหมอบัญชาพงพาเนี่ยเล่าว่าเรา พ, พูดถึงคุณป้าของท่านคุณป้าของท่านนะป้างท่านอายุเกือบร้อยนะ อ, อก็ถึงเวลาปีใหม่สงกรานต์ลูกหลานก็จะไปก็ไปเยี่ยวก็<อ> จ, ะจะไปให้พรท่านนะขอให้คุณยายอยู่อายุยืนนานนะ<อ>คุณยายบอกไม่ไหวแล้วหลาน <laughs> ไม่ไหวแล้วลูก เผลอรับคอนนี่มาต้องนานจนอายุยืนถึงเก้าสิบจริงรู้ว่ามันมีแต่ทุกข์ยานี่เอาละนะคอนนี่นะแค่เนี้พอแล้ว ค, คือคนที่เข้าอายุยืนนี่เขาจะรู้แลยว่ามไม่ได้สุขเท่าไห ร, นะร่นะนะดอย่าไปสนอย่าไปอย่าไปปลื้มกับอายุวันโดสุ ข, ขังพลังนะสนใจกับอันนี้จำทุกข์ังหนาตาดีกว่านะแล้ว ป่วยนะ่คุณจะไม่ไม่ไม่ทุกข์มากถ้าคุณเข้าใจเรื่องอ น, นิจจังทุกขังนักตาแต่ถ้าคุณไปหลงกับอายุวันโลสุทธังพลาน้กคุณป่วยขึ้นมานี่คุณเสียความรู้สึกมากเลยครับคำถามต่อไปครับพระอาจารย์จิตกับร่างามีความสัมันกันหรือไม่วิธีแก้ทางกายและใจทำยังไง จิตกับร่างเป็นคนลอันอนจิตกายกับจใจเป็นคนลอันรูปกับานามคนละอันแต่สัมพันธ์กันจิตจะทํางานได้ต้องอาศัยรูปนะ ค, ค, คนที่เกิดว่าสมองเกิดได้รับกันก็กรเถือนี่นะการทํงางานของจิตเนี่ยก็ก็คล่คองแคล่วนอาจจะลืมง่ายอาจจะถึงขั้นเคี้ย น, ปนไปเลยก็ไดนะ้คนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะมันเป็นเพราะสมองเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิตจะสูญเสีย คุณลักษณะของจิต น, นะนก็ยังมีอยู่แต่ว่าจะทำงานไม่ได้คนระับทำงานไม่ได้ร0 0เปอร์เซจะทำงานไม่ได้ดีบางทีจิตจะเหลือคุณภาพจะทำงานได้แค่ห้าเปอร์เซ็นะสนสำหรับคนเป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์นะายเนี่ยก็ต้องอาศัยอาหารอาศัยยาอาศัยปัจจัยสี่ส่วนจิตนี่ต้องอาศัยธรรมะอาศัยสติสมาธิ มันเป็นอาหารชนิดหนึ่งของจิตที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราถ้าเรารักร่งักตัวเราเนี่ยเราก็ต้องบริหารกายแล้วก็บริหารจิตนะแต่ว่ากายกับใจยังมีลักษณะที่ตรงข้ามหลายอย่างกายเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆ<ม>จะให้มันออกกาลังกายไม่อยากเกลียดเกลียดจะให้มันเดินใช่ไหมเดินเลยขึ้นแต่จิตเนี่ยมันชอบท่องเที่ยว ถ้าจิตเนี่ยอยู่นิ่งๆมันไม่ยอมนะใช่ใช่นะแต่จะให้กลายไปเที่ยวนี่มันก็ไม่ชอบด้วยกันแล้วต้องฝึกกายให้ออกไปออกกําลังกายไปว่ายน้ําไปวิ่งส่วนจิตต้องฝึกให้มันนิ่งอนะกายเนี่ยนะจะให้แบกอะไรเนนะมันไม่ชอบให้แบกผู้มันวางเลยไม่เลยมันไม่ชอบแบกนะจิตมันชอบแบกปัญหาของจิตเนี่ยคืว่ามันไม่ยอมวางครับ แต่ปัญหาของกายคือมันไม่ยอมแบกใช่ในในบางแง่เนี่ยกายฉลาดกว่าจิตนะคือให้มันแบกพุ่มันวางเลยจะแบบทำไมวะาะันหนักต่จิตเนี่ยมันแบกคือพุทภูมิไง่หม่าตมันโง่จิตมันโง่นะเวลาเวลากายเนี่ยมันโดนของแหลมนะที่กระช่าเมืองเยเวลาจิตเนี่ยเวลากายมันโดนไฟนะมันรีบดึงไม่ต้องส้าง แต่จ <Panel. S 2> ิตเนี่ยนะพอเจอความโกรธเจอไฟโทรศัไฟราคามันเข้าหาเลยมันเข้า huh. กุ้มล <f ie> <mud> ุมเลยแล้วก็รักษาไว้ด้วยหวงแทนความโกรธครับนะใครบอกใครบอกว่าให้ไฟคุณไม่ใหบไฟคุณจะคุณจะโกรธมันอะแล้วมันจำเป็นโง่จิตมันโง่นะในนี้อะไรเนี่ยจิตมันโง่กายนะวันนี้เราฝึกจิตให้เหมือนกายสำหรัว่าจะเจริญสําคัญทุกวันฝึกจิตให้เหมือนกายคือว่ารู้จักให้มันรู้จักนิ่งบ้างให้มันรู้จักวางบ้างให้มัน เวลาเจออะไรเนี่ยนะครับให้หยุดถอนออกมากายเราเนี่ยนะเวลามีเชื้อโรคเข้าเนี่ยนะมันโง่ครั้งเดียวอืมันจะป่วยครั้งเดียวหลังจากนั้นมันจะไม่ค่อยป่วยเพราะมันจําได้ว่าไอ้โรคไอ้นีเ่ เ, เชื้อโรคนะเช่นหวัดเนี่ยเป็นได้ครั้งเดียวไข้ทรพิษเป็นได้ครั้งเดียวอแต่ใจนะโกรธแลโกรธตีโกรธแล้ว โ, โกรธครับคนแก่นี่นักเจอความโกรธมาหมื่นครั้งนะยิ่งโกรธ ง, ง่ายออื คนเราเนี่ยนะถ้าเจอคนที่มันชอบโกงเรานะอเจอสามสี่ครั้งเราก็รู้รู้ทันหมดแล้วนะแต่จิตเนี่ยนะมันเจอความโกรธแล้วโกรธเจอแล้วเจอเลยนะกลับยิ่งโกรธง่ายยิ่งหลงง่ายเงงปลี่ยนมาใช่ครันะร่างกายเนี่ยมนโง่ครั้งเดียวแต่จิตเนี่ยโงงไม่งงไม่จำกับจำนนะ <c oughs> วนอาจารย์สงสัยนะทําไมคนที่มันเจอความโกรธหนึ่งเขาไม่เคยเรียนรู้เลยว่าโกรธไม่ดีแล้วก็รู้ทันคนยิ่งโกรธ มากๆเหมนยิ่งกดง่ายแล้วคนแก่เป็นเยอะนะเดี๋ยวโกง่ายมากเลยทรานที่คุณตรวจมาแล้วในหมื่นทรั้งสองหมืนครั้งเนี่ยไม่เคยฉลาดที่จะรุ้ทันผูบายของมันเลยไอ้จิตเราเนี่ยโม่กัยต้องฝึให้มันฉลาดเข้ากายได้ใช่ถ้าทุกคนต้องฝึกนะครับอย่างโม่นะครับเฉพาะผมก็เช่นเดียวกันครับก็ถามท่านเดินท่านเดินคับอาจารย์าที่สอง วิธีทำให้ลืมความเจ็บปวดทําอย่างไรครับเหมอที่พูดไปหมดแล้วเนี่ยศรัทธาสมาธิสติสมาธิที่สุดทําให้ลืมปวดได้ที่จริงสมาธิอาจจะไม่ใช่สมาธิกับลมหายใจก็ได้สมาธิกับเสียงเพลงก็ได้ใช่ไหมคนบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันไม่มีสมาธิกับกับลมหายใจก็ลองไปมีสมาธิกับเสียงเพลงมีสมาธิกับการวาดรูปก็ได้ใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยพบว่า ความมีสัตว์เลี้ยงความปวดทุเราลงเพราะเป็นมีสมาธิกับสัตว์เลี้ยงเช่นเช่นแมวเช่นม้าเช่นนกเดี๋ยวนี้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาใช้วิธีเอาสัตว์มาเป็นเคื่อนช่วยบำบัดมีการให้ยืมสัตว์เลี้ยงเช่นหมาเนี่ยที่เชื่อให้ยืมให้คนได้อยู่กับหมามันอยู่แล้วมันเพลินมันลืมปวดแล้วก็ความสุขมีเพื่อนมันก็เลยไม่เหงา ความปิดติก็ทําให้ความปวดทุบเราครั บ, บางคนเนี่ยนี้ผู้ชายคนห่แปลกมากนะอันนี้อัศจธรย์มากเขาจะตายแนละ้วแกอยู่บ้านพักผุญชลาแกแกอยู่บ้านสองแก่ๆมากเนี่ยปยวยแกก็มามาสาธุที่โรงพยาบาลแกจะตายนะครับหมอถามว่าความปรารถนาคาสุดท้ายคืออะไรแกบอกอยากจะเจอหน้ า, มาหมาหมาที่เลี้ยไว ปัญหาคือเอาหมาเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ได้เพราะหมามันนี่มันมีใช่โรคแต่ว่าคนในโรงพยาบาลก็พยายามลักลอบเอาหมาเข้ามาออไอหมาตัวนั้นพอมันเจอเจ้านายมันรีกขึ้นมา บ, บนเตียงเลยนะแล้วก็ลูดแล้วก็เลียนหน้าครับเจ้าของนี่ก็ดีใจมากเลยเชื่อไหมเจ้าของขายเลยลสุดท้ายเนี่ยกลับไปอยู่บ้านได้ครับมันดีขึ้นมาทันทีเลยครใช่ไหมวันนั้นเนี่ยจะบอกว่า ถ้าเรามีแบบถ้าเรามีถ้าเราชอบมาเลี้ยม้าให้เข้ามาเลี้ยงให้เข้าม า, มาได้สัผสมผัสเนาะมีเขาีการนึงนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์จะใช้ธรรมะข้อใดทําให้ใจยอมรับกับการทํางานร่วมกัเพื่อนร่วมงานและเจ้านายในฐารุที่เราจะงต้องทำงานกับพวกเขาแต่ละคนฟุ้งซ่านผู้เพ้อเชื่อทั้งวนันหน้ไหมครับอยู่กับปัจจุบนันอยาสวสกิออกนอก เขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของเราเขามาทำงานสายก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไอันนี้เราถึงเวลาเราไปช่วยใครเนี่ยแล้วเขาไม่สมบูกณของเราเราให้เงินเขาเขาไม่สมบูรณของเราเป็นเรื่องของเขาเรื่อของเขา หน้าที่เราคือช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนเข้าไม่สำนึกในบุญผูของเราเนี่ยมันเป็นการของเขาเป็นเรื่องของเขาอย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราเข้าใจไหมฮะเราเขาลังแกลเราเขาลอกวนเราเขาไม่สมนึกผิดเขาไม่มาขอโทษเราเป็นเรื่องของเขาครับหน้าที่ของเราคือรักษาการรักษาใจเราให้ถูกแต่คนส่วนใหญ่เอาเรื่องของเขาเนี่ยมาเป็นปัญหาของเรา มึงไม่ให้อภัยกูมึงเรวใช่ไหมครับแล้วมึงเล็วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะใช่ไหมแต่ที่เราถ้าเราลักถ้าเรารักตัวเราคือเรารักษากายและรักษาใจของเราให้มีความสุขใช่ไหมฮะเราพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยนะอาตมาชอบเด็กคนหนึ่งนะอันนี้เคยเล่ามาหลายครั้งในชาี่นี้หรือเปล่าประมาณช่วงอะเอ่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีรายการสาคดีชื่อพลเมืองเด็กเขาจะเอาเด็กเนี่ย ประมาณตั้งแต่แปดขวบ้างสิบสองขวบบ้างเนี้ยมาทํากิจกรรมร่วมกันประมาณสามคนปกติเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเขาจะศึกษาว่าเด็กเขาแก้ปัญหายอย่างไรก็าทำงานร่กมกันอย่างไรคราวนึงก็เด็กวียสิขขบสามวบเนี่ยสามคนมาทำกิจกรรมกิจกรรมมันคือคนขึ้นรถไฟครับรถไฟมีเราออกที่แ น, น, น่นอนที่ต้องนิดคนบางเอ่ยวันบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจ้องหอบขอึ้นชกคุณจัดสมจิตวรือเปล่า ถ่ายทอดสดเด็กก็สองคนเป็นผู้ชายก็ทิ้งงานไปดูสมจิตเด็กผู้หญิงก็ทำงานคนเดียวแต่เธอก็ทำงานอย่างขันแข็งพิธีกรก็เลยไปถามว่าที่ยังไงที่เพื่อนก็ทิ้งานไปดูสมจิตโชคมวยเธอก็บอกก็เหินใจเขาเพราะเเป็นแฟนสมจิต <c oughs> หนูก็ไม่ใช่แฟนสมจิตหนูก็ทำงานของหนูไป <c oughs> พิธีกรยังไม่ยังไม่ยัง ยังส่วนขั้ตอนนี้ไม่ถูกใจก็เลยถามจี้หนูแล้วหนูไม่โกรธเหรอไม่คิดจะด่าว่าเพื่อเร อ, อที่เขาทิ้งงานให้หนูทําคนเดียวอะ่ะเธอตอบได้ไหมตอบว่าหนูคนของคุณรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวเจ้าหนูไปปวดไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่าง<อ>คนฉ <c oughs> ลาดเนี่ยจะเหนื่อยอย่าเียหรือเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมคนที่รักตัวเองเนี่ยจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่าง<อ>แต่คนส่วนใหญ่ ยอมเหนื่อยสองอย่างทําไปปวนไปทําไปด่าับเหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายและเหนื่อยใจไอ้ปนเนี่ยคือเหนื่อยเหนื่อยใจคนฉลาดในคนรักตัวเองเนี่ยเขาจะเหนื่อยอย่างเดียวถ้าจะเหนื่อยนั่นเหนือยอย่างเดียวครับนะก็คือเหนื่อยใจแต่เด็กคนที่ฉลาดนะเด็กคนนี้เขาเขาเขารักตัวเองก็พยายามที่จะให้เหนื่อยน้อยที่สุดและการเหนื่อยน้อยสุดคือเหนื่อยกายเขาไม่เหนื่อยใจไม้เหนื่อยใจเด็ก เขาไม่ขยันเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราเรื่องของเราคือรักษากายรักษาใจให้มีความสมดุลเป็นปกตินะเพราะอย่าเอาเรื่องของคุนอื่นมาเป็นปัญหาของเราคนเสี่ยงทุกข์เพราะเรื่องนี้นะใช่ดีเลยครับพัดชัดคำถามท่านต่อไปครับพัดชัดท่านขึ้นขึ้นสี่โมงครับเดี๋ยวผมถามเฉยสี่โมงเพราะว่าจะปุ๊ ชงหนึ่งบ้านจันตองไปติดเดี๋ยวคนกับท้ผมต้องไปส่งสีมครับก็เดี๋ยวจะมาต้องมีสัมภาษณ์อีกนานไม่แน่สิบห้าทีใช่ไหมอ่าเระนั้นเดี๋ยวมีคนสัมภาษณ์เราคไปติก็ได้เพียอะไรนะเออก็ก็ถามไม้เสร็จแล้วก็โอเคถ้าาบ้านจันที่จะเลยเวลาบ้านจันก็ไปตรงตรงไดครับครับคำามท่านตอไปครับอารมณ์ที่กับพบเข้ามาในแต่ละวันทางเราทราบเป็นปัจจุบันแต่ไม่สามารถเพียได้หมด เราสามารถแก้ไขในแต่ละวันช่วงก่อนนอนได้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะคือถ้าอารมณ์มันถ้ามันเป็นปัจจุบันนะมันหม่มันไม่มีอะไรตกตกค้างนะครัที่ตกค้างก็ไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอะไรที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ทําให้มีอะไรตกค้างและการอยู่กับปัจจุบันก็คือไม่ใช่ไปยึดปัจจุบันนะครูเจ้าสอนให้วางอดีตอนาคตและปัจจุบันนะ กุญแจไปสอนพระนันทิยะว่าให้ปล่อยวางเขาทั้งข้างหน้าข้างหลังและข้างกลางครับก็คือมายึดในอารมณ์ชั่วเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันคุณก็ต้องปล่อยวางปัจจุบันครับหมายค่อยในงานเช่นปวดเมื่อยเนี่ยเป็นปัจจุบันไหมปวดเมื่อยนี่เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะแต่ถ้าคุณไปยึดมาแล้เป็นทุกข์เลยเสียงดังเนี่ยนะมารบกวนลราเสียงโทรศัพท์เสียงพูดคุยเนี่ย เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะเต้นครับแต่เราควรปล่อยวางรับ ร, รู้สัแตว่ว่ารับรู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางครับถ้าถ้อย่ า, างนี้มันไม่มีอะไรตกครับครับถ้าเราไม่มีมันมีอะไรตกค้างขอให้อยู่ปัจจุบันจริงๆก็รับจัดตรงนครับคำถามขั้นต่อไปครับป้าชาการที่เราพาแมวหรือสุนัขไปทำหบันจะเป็นบาปไหมครับ เพราะเราทำด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะแมวหรือสุนนะัขพวกนั้นไม่มีเจ้าของกูว่าถ้าคลอดออกมาแล้วไม่มีคนเลี้ยงจะเป็นอันตรายกับชีวิตของฝางเรานั้นเช่นถูกหมากัดหรือถูกนะ้อนชนครับคือเหตุผลในการทําหมันสัตว์ี่ก็มีหลายอย่างบางคนก็ทํามันสัตว์เพราะบุญประเวทอของสัตว์ก็คือว่าถ้าไม่ทาแล้วนี่อาจจะป่วยเป็นโรคคาารับสัตว์บางชนิดเนี่ยมันมันจะมีเชื้อโรค เพราะนั้นเนี่ยการหลายคนเนี่ยทำหมันก็เพื่อไม่ให้มันเป็นโรคครับอัตมาว่าทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนขอการรักษาก็ไม่บาปแต่ถ้าเราทําเพื่อประโยชน์ของเราเองเช่นเราเพื่อจะ่ด้ตัดตลำคานเราได้ไม่ต้องมารับไปรับภาระ<ม>อันนี้อัตมาว่ามันจะเป็นบาปได้เหมือนกับว่าเราไปตัดไปทําให้เข้าสูญเสียสมรรถนะสมรรถภาพนะอันนี้ก็ถ้าเราทําเพื่อตัวเราเนี่ยมันก็เป็นบาป แต่ถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ขเขาเนี่ยก็หมาอนกัว่าเราช่วยให้เขามีสุขภาพดี ย, ยาก็ก็ไม่บาปครับอ๋ออยู่ที่จุดประสงค์ของเราเจตนาครับแต่ยิ่งก็บาปน้อยนะเพราะมันไม่ใช่ทําให้เขาเจ็บป่วยอนะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไปทาําร้ายเขาเนี่ยอันนั้นบาปกว่าครับคำถามต่อไปกรับอาจารย์คิดอย่างไรทําอย่างไรให้ใจมีสุขทุกวัน อยู่กับปัจุบันนะเพราะส่วนใหญ่คนเราทุกเนี่ยเพราะจันทรคิดถึงอดีตคิดถึนานบางคนแล้วก็มองอะไรให้เป็นบวกอยู่เสมอครับมองให้เป็นบวกหมายความว่ามองมันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับอย่างเด็กคนที่เป็นมะเร็งสมองเนี่ยแกก็ไม่ทุกข์กับโรคที่แกเป็นเพราะแกมองว่าแกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองผู้ไหนจะท่องคาถานี่ก็ได้ว่าคาถาจากพุทธทาสว่า กูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์มุวยกูไม่ได้เกาดมาเราเป็นทุกข์มุ่ยพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่ใช่เพื่อเราจะเป็นทุกข์หน้าดําำําเคร่งแบบนี้ใช่นะพอมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเรามาเพื่อเรามีความสุขแล้วเราจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังทำํำไมใช่ม า, าเตือนใจแบบนี้บ้างหรืออาจจะมองว่าชีวิตเราเหลือน้อยกว่าอทีแล้วครับแต่เราเวลาแต่ละนาทีมีค่า จะปล่อยให้เวลาแต่ละนาทีหรือวันแตละมันหมดสยัน ก, การจมีความมืดจะตายอยู่แล้วจะมีเวลาทุกได้เหรือใช่ไหมจะยอมเสียเวลาอยู่ความทุกข์ทำไมจะตายอยู่แล้วก็ทำให้มีความสุขซะมีคนหนึ่งแกเป็นโปิโอลนะเป็นฝรั่งเชฟโรสแต่อสโซมเป็นโปรโอลทั้แบบเล็ก น, นะพีการพิการแบบเรียกว่าหมดสภาพไปเลยน ะ, ะพงนี้แต่คงมีแต่หน้าคงมีแต่หัวที่ทํางานได้มือ แขนขาจะทํางานไม่ได้เล ย, ร, ยรีบไปหมดแกไม่มีความทุกข์นะแกรีดจบปริญญาอเพื่อนก็ไปถามว่าคุณเนี่ยทุกข์ขนาดเนี่ยพิกนารเนี่ย <Okay. S 2> มีความสุขได้ยังไงครับแกพูดดิแกบอกแกเคยมีความทุกข์นะแต่แกกม็มาได้กำมือได้ว่าเนี่ยแกไม่อยากจะให้ชีวิตของแกที่เยลือเนี่ยมันจมอยู่กับการสมเพศตัวเองจมอยู่ความทุกข์หรือการโกรธแกที่ว่าเนี่ย อยากจะเปลี่ยนจิตใจให้สำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งนะ<ม>ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวันนี้<ม>แกนคริสแกก็บอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่มขอบคุณมหาทารายขอบคุณมันสมองที่ได้รับ<ม>ขอบคุณชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสขนาดพี่กาเนี่ยบอกว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสคือแกผู้เตียวบอกว่าแกไม่ปราศไม่อยากจะให้ชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นจมอยู่กับความทุกข์ ใช่ไที่เราเวลาเราก็เหลือน้อยลงไปทุกนทะีแล้วเนี่ยใช่ไ้มทำไมเราจะปล่อยเวลาเราทิ้นข้าวไปกับจมไปกับความทุกข์ใช่ไหมทำไ ม, ไ ม, ามาเราปลา่อยเวลาของเราเนี่ยที่เหลือน้อยลงไปทีเนะี่ยให้ไปจมอยู่กับความเศร้าความโกรธนะถ้าว่าหววงแหนเวลาที่มีอยู่นะใช้เวลานั้นเนี่ยทําความดีนะทําใจให้มีความสุข ด, ดีกว่า เพราาคนทุกเนี่ยจะว่าไปก็ก็เป็นคนโม่นะเพราะว่าปล่อยใจให้ไปจมอยู่กับความทุรับจริงๆแล้วเจออะไรนั้นไม่สํำคัญทั้ว่าใจเป็นอย่างไรเจออะไรไม่สำคัญทั้ว่าใจเป็นอย่างไร <Okay. S 1> คุณส่วนใหญ่เนี่ยเอาแต่ภาวนาขอให้เจอสิ่งดีๆขอให้เจอโชคขอให้เจอความสําเร็จครับแต่ไม่สนใจเรื่องใจเจ <Okay. S 1> อของดีๆแต่ถ้าใจวางไม่ถูกเนี่ยทุกข์นะนะ เกื้อมาเคยเล่าหนินะเกื่อธรมาเนี่ยเป็นเป็นนักนักเล่นทุน้นสมัยก่อนนะครับก็ไปเจอคุณป้าคนหนึงที่ตลาดทุนคุณป้านี้บอกว่าเมื่อสามสี่วันก่อนขายทุนไปตัวหนึงได้กําไรสิบล้านบาทบอกแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าเร <c oughs> วบอกยินดีอะไรกันหล่ะถ้าฉันขายทุนวันนี้ฉันได้กํำไรได้ยี่สิบล้านเขาเถอะเขาไม่มีความสูงนะได้สิบล้าน พ่อเธอไม่ได้ชื่อเธอได้เธอเชื่อเธอเสีย10ล้านใช่ไหมวันรุ่งขึ้นเธอก็ไม่หมาที่จอรุ่งเหมือนเคยเพื่อนมาเาไปถามมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นลูกค้าเถ อ, อ, อป้าหายที่ไหนคําตอบคือคุณป้าผลกญยาบาลแล้วพอไรทราบไหมฮะเสียที่ได้10บล้าน <c oughs> ได้แค่10ล้าน <c oughs> นะคำว่าถ้าคุณได้โ่ว์แล้วคุณเติมเพราะว่าแค่ไหมนะคุณทุ่มเลยนะอได้แค่สิบล้าน เจอโชคแต่ใจไม่ฉลาดนะั้นทุกเจอทุกเจอป่วยแต่ใจฉลาดเป็นสุขครับ <Okay. S 1> เจออะไรไม่สมาูรณ์ทั้งว่าใจเป็นอย่างไรง <Okay. S 1> ั้นจะไปสนใจว่าจะเจออะไรขอให้เจอสิ่งดีๆนะสนใจว่าใจเราเป็นอย่างไรดีกว่า <Okay. S 1> ผู้ใหญ่เนี่คือเจออะไรก็แพ้ใจเท่านั้นครับถ้าเจอของดีแต่ใจไม่ดีทุก <Okay. S 1> เจอของไม่ดีแต่ใจดีสุขครับ okay. แล้นเนี่ยมันฝึกใจเราไว้อย่าไปมัวแต่ภาวนาขอให้เจอโน่นเจอนี่เจอเจ้านายที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารักเจอคนรู้ใจเจอโชคเจอความสําเร็จรรแต่ลืมดูใจดูฝึกใจนะเนี่ยทุกทุกรายในลาสซูเนี่ยนะเมื่อสองวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ได้รัตเลี่ยงอันที่หนึ่งามสามสิบล้านนช่ไหมามสิบล้านไอ้ตมรก็รู้ดีนอรู้เป็นโห่นะว่าถ้าใจเธอไม่เข้มแข็ง น, นะคแย่ เอาเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมีพ่อค้าเรื่คนหนึ่งได้ได้ลอตเตอรี่วันที่หึงยี่สิบล้านยี่สิบล้านนะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยหนึ่งเดือนต่อมาขึ้นหนึ่งเหมือนกันก็กินยาซดยาค่าตัวต่างโก็อะไรครับก็พอได้ลอตเตอรี่ใช่ไหมคนก็แห่มามาอ้างตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแกก็ให้นะ แต่คนที่ได้รับไม่พอใจเพราะคิดว่าตือนน่าจะได้มากให้หมือเครืองตื่นน่าจะได้แสนมีบางคนก็โทรศสท์ไปด่าแกมีคนโทรศัพท์ไปขู่ฆ่าเนี่ยโอขู่ฆ่าแกแล้วลูกสาวาจะเครียดมากเลยทําให้ไม่ถูกสดน้ำยาขาดท่องน้ําแต่เปิดลูกสาวเนี่ยเห็นมาช่วยทันพาส่งโรงพยาบาลรอดตายผู้สืขาวทันรับไปถามจะผู้ประโยชน์หนึ่งตอนเป็นพ่อค้าเร่เนี่ย มีความสุขกว่าเป็นไหนๆมีความสุขกว่ตอนเนี่ยเป็นไหนๆนะเนี่ยเจออะไรเนี่ยนะครับถ้าใจเนี่ยนะไม่เข็งแข็งนะก็ก็ไปเะท่านนะเพราะเนี่ยที่เนี่ยที่อยากว่าอยากได้ลอตเตอรี่สาสิบล้านสีิบล้านเนี่ยก็มาเป็นห่วงนทว่าถ้าใจไม่ใจไม่สึกสนใจไม่ไม่แข็งแกร่งนะก็ไปนะนนะเดินกระโจนไปเย คั้งต่อไปครับอาจารย์การปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องไปอยู่ปฏิบัติห้าวันเจ็วันหรือนานกว่านั้นหรือไม่ถ้าจะเดินไปอยู่ที่บ้านไปปฏิบัติร่วมกันกับญาติธรรมบ้านเพียงสองหรือสามวันเพียงพอหรือไม่ที่จะทําให้ธรรมะก้าวหน้าครับไม่จําเป็นเลยนะตัวอย่างที่อามารย์พูดถึงคนที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ภาวนาแทนดูแต่โทรทัศน์นะ <c oughs> แต่เขาเก็ทเนะี่ยเขได้ธรรมะ <ST AN TI AL> คือเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เรื่องการภาวนาก็เหมือนกันนะคุณลองทําที่บ้านก็ได้แต่ว่าไปคี่วัดหรือไปที่ที่มันมีบรรยากาศเคื่อมือมันดีกว่าครับข้อดีคือว่าพอทํากับหลายๆคนเนี่ยครับจะขี้เกียจก็กระไรอยู่ <ST AN TI AL> จะแอบไป น, นอนก็กระไรอยู่ใช่ไหม <ST AN TI AL> มันจะข ย, ยันโดยไม่รู้ตัวนะนใช่ไหมเ <ST AN TI AL> วลานั่งสมาธิคนเดียวนี่สับปะรดหน้าสับปะรดอแต่เวลานั่งสมาธิหลายคนอูตั้งหลายโลงจะให้ ให้ปฏิบัติข้ามคืนก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าท่านนั่งถ้าทำคนเดอยวแต่พอปฏิบัติหลายคนโอ้โหปฏิบัติข้ามคืนสบายเลยข้อดีมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ถามว่าจาเป็นไหมไม่จำเป็นแต่จำเป็นออแต่ว่าเราแน่ใจไหมว่าเรามีวินัยจริงพอนะมาไม่ใช่เดี๋ยวก็แบบไปทางโน้นเดี๋ยก็แวะไปทางนี้เดี๋ยวก็เปิดโทรศัพท์เดี๋ยวก็เล่นไลน์เดี๋ยวก็เล่นเฟซบุ๊กนะมั้ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์หาเพื่อนเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ย เราจำเป็นต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เขามีการควบคุมบ้างะนะมีหมู่มิตรคอยให้กําลังใจหรือว่าเดี๋ยวว่าเราคอยแล้วรู้สึกเกรงใจบ้างนะเพราะงั้นเนี่ยกิเลสมันจะเล่นงานเรามันจะมันจะเอาเวลาของเราเนี่ยหมดไปกับการตามใจกิเลสมกากกว่าปฏิบัติธรรมเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันช่วยโอกาสเล่นงานเราตลอดเวลา น, นะครับแม้แต่ไอตัวหลงเนี่ยนะมันคอยจะเล่นงานเรา แม้แต่ไปวัดเนี่ยก็ยังอ่นหลงไม่ได้ครับสวดมนต์ก็งีบหลับฟังธรรมก็หลับนะครับเวลาฟังเพลงตื่นเนียคือมันไฟจะเล่นงานตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าเราปฏิบัติคนเดียวเนี่เราทิ้งแข็งนะเรามีที่นั่งนะครับคำถามต่อไปครับอาจารยาไปปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตแต่คนทุ๊กแก่ค่ะ เขาบอกว่ามีเยอะหลวงพ่อมีทิ่จีปฏิบัติอย่างไรเ้าลงเล็นก็เาไปนิดนึงนะครับหนูตุ๊กแกนี่น่ารักนะตุ๊กแกนี่ไงน่ารักอย่าไปกลัวมองว่าเขาเป็นอาจารย์มาสอนเราให้รู้ทันความกลัวสอนเราให้รู้จับแผนเมตตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ คือถ้าเราแค่ตุกแกก็ไม่ผ่านนะก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิพพานไม่ต้องพูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บนะนะความสูญเสียพระเป้าไม่พูดถึงไม่ผ่านแน่นะถ้าอยากับถ้าอยากจะผ่านในสิ่งนี้ไปได้เนี่ยต้องผ่านอากาศตุกแกไปก่อนกับทีนี้ถ้าตลาดที่เป็นผู้หญิงก็พยายามเข้าหาตุกแกนะครับเดี๋ยวให้ลูกตุกแกจับตุกแกมาให้ลูก หน่อยแต่ได้หายกลัวก็จริงมันก็ไม่หลกมัก็ม่ลีกนะมันกลัวเราเมืนเรากลัวมันนะครับมันกลัวเรานะครับอาจารตอนนั้นผมไปแนวว่าอาจารย์ผมอยู่ที่กนก็มันเต็มนะครับผมไปนอนในห้องไว้ของก็รยาผมผมคนขับรถอยู่งั้นครับมันก็หีเสิตรงนั้นนะครับก็ดีนะครับอาจารย์มันทำให้เราได้รู้ได้ความกลัวตามที่อาจารย์สอนานะครับ ขยันจะแก่บ้านกระจกเลยะนนครับครับำถามต่อไปก็มาจากปฏิบัติไปจนรู้สึกไปถึงใจคําว่ารู้ถึงใจเป็นอย่างไรหรือครับรู้แค่ไหนคือรู้ถึงใจครับคำนวณ น, นี้ต่ตาก็ไม่เคยใช้นะก็ไม่ทราบว่าคือจะเข้าใจว่ามันมันไม่ใช่แค่รู้ที่สมองไม่ใช่รู้ที่หัวนะแต่มันมันรู้ถึงใจด้วยเช่นการรู้ทันความโกรธ่ารรู้ทันอารมณ์เนี่ย มันมันรู้มันใช้ใจรู้นะครับหลายคนเนี่ยคือจะคิดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีทางรู้ต้องใช้ใจนก็ไปรู้และยิ่งไม่ใช่เฉพาะอารมณ์เท่านั้นนะสัตว์จะทำความจริงเนี่ยถึงท้ต้องให้ใจไปรู้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลวงปู่ดูลบอกว่าเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดจริงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยคิดรู้ในที่นี้ไม่ได้รู้วิชาการของโลกแต่รู้ความจริง ของชีวิตเ<ม>ช่นเรื่องอนิจจังทุกขังนักตาอนะเรื่องรูปเรื่องนา ม, มเห็นว่ากายกับใจมันคนละอันมไม่มีเราไม่มีของเราพวกนี้เนี่ยไอ้ที่ได้ยินมาที่เราที่ได้ได้ยินเรื่องของยตาตมาเนี่ยมันแค่รู้ตรงนี้ครับใจยังไม่รู้ใจมันยังไม่ยอมรั บ, รบแต่ว่าถ้าปฏิบัติไปเห็นความจรมิงไปเ่ยใจมันก็จะยอมรับใจมก็จะรู้เองครับกิจการขั้นต่อไปครับว่าจะ เนื่องจากโยบ่วยเป็นมอร้อนเป็นอุศเอมตามวัเฉกันแต่พอได้นั่งสมาธิเป็นจนงคมอย่างนี้ไม่มีงชัชมโมงเขารู้สึกปิติไม่ค่อยเจ็บที่หลังขอถามว่าสัมมาสมาธิแบบนี้ช่วยได้ช่วยได้ไหมเจ้าค่ะช่วยได้ะนะเพราะนายทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามพยายามฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวไปด้วยนะ เพราะว่าสมาสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้อ่ามันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยรับมือความปวดได้ครับและมันทำให้เราเห็นความจริงได้การเห็นความจริงเนี่ยต้องอาศัย ส, สติสตินี่ทีแรกมันให้เราเห็น <dot? S 2> เห็ น, เ ห, นเห็นรูปเห็นนามเห็นการทําให้เราเห็นการมีอยู่ของการและใจ แต่ปายเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญามีปัญญาเข้าใจเรื่องไตรักซึ่งจะช่วยทำให้หลุดจากความทุกข์ได้ก็คือว่าตายทุกแต่ใจไม่ทุกเพราะไม่มีความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวกูของกูแล้วเนี่ยก็ดีแล้วที่ทโยมทำมีความเคยนในการทในการทำสมาธิแต่ว่าก็ให้ให้ให้สร้างสติของสุขตัวไปด้วยนะจะมาจะช่เยเ ขั้นตที่สองท้านเดิมครับและต้องปฏิบัติสมาบัติเสมอสมาธิจะคงอยู่ได้นานขึ้นได้ไหมเจ้าค่ะใช่แต่ว่าสมาธิจะอยู่ได้นานหรือไม่เนี่ยต้องอาศัยสติเป็นหลักเพราะว่าอการสังสาที่บ่ยอยๆยิ่งทำไม่สมาธิได้ไม่มีสมาธิได้ไวขึ้นแต่มันจะอยู่ได้นานหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีสติรู้ทันเวลาเกิดผัดสับไหมหลายคนที่น่าทําสมาธิเนี่ยนะแต่พอไม่ได้ฝึกสติเนี่ย พอเกิดภาษาขึ้นมาเนี่ยภาษาแรงๆอื mm. มากระทบเนี่ย <Okay. S 1> แล้วจิตเนี่ยเกิดความโกรธความไม่พอใจเนี่ย mm hmm. แล้วไม่รู้ทันมันเนี่ยก็จะเสียท่าครับให้กับความโกรธความมุ่งมิดแล้วจิตก็จะไม่เกิดความสงบเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องแล้วสงบแต่พอเราไปข้างนอกเนี่ย <Okay. S 1> นะมันเจอผู้คนครับ <Okay. S 1> <ๆ>เจอสิ่งที่มากระทบได้ง่าย มีโยมชายคนนึ่นะแกก็นั่งสมาธิได้ดีนะแกไปปฏิบ wow. ัติที่เถวพุทธสมาคมแห่งหนึ่งเนี่ยเช้าถึงเย็นนี่แกใจสงบมากเลยพอออกมาพอออกมาจากอาคารจะกลับบ้านแกจะจขึ้นรถอรถที่แกจอดอยู่ก็รถออกไม่ได้เพราะว่ามีรถอีกคันจอดซ้อนเอาไว้จะโกรธมากเลยดูปากดาฮะนี่แกเพิ่งเพิ่งสงบมาสุดๆตอนนี้แต่บาดแผลแล้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติรู้ทัน เวลารูปเนี่ยกระทบตาเนี่ยเช่นรถคันนั้นมันกระทบตาเนี่ยนะมันก็กระพื่อมใช่ไหมเออรูท้ทันรู้ทันปุก ม, มันวาง<อ>แต่ถ้าไม่รู้ทันนะ้มันก็ไปเนี่ยะ<ม>ถามว่าสมาชิกจะอยู่ได้นานนะก็ต้องมีสติรู้ทันเวลาเกิดผัสสะนะครับนั<ม>้นเพราะเราในโลกนี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เรามีผัสสะที่ที่แรงที่ไม่ถูกใจเนี่ยไม่ได้ต้องเจอ<ม>แต่ว่า กาจะี่มาบอกเจออะไรไม่สำคัญทั้ว่าใจปเป็นอย่างไรถ้าใจเรมีสติมีปัญญานยมันก็ใจก็ยังสงบไม่กระเพื่อมครับท่านเดินคำถามที่สามครับถ้าเจ็บป่วยปวดมากกว่านี้ควรทาอย่างไรเจ้าค่ะก็ใช้ยารอบใช้ยาช่วยบ้างนะแต่ถ้าเกิดว่า ไม่อยากจะพึ่งยาก็ให้ลองน ะ, จะเจริญสติแล้วก็จเจริญปัญญาก็จะช่วยได้แต่สมาธิที่โยงเองโยมทำเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนี่สองคําถามอาจารย์จะอนุญาตถามไหมอาจารย์เชิญนะครับ อ, บอุทุชนทัปปินญาหมดได้ยยหรือไม่ผ่รารหัมมีชีวิตอยู่ด้วยกายจิตหรือวิปัสสนาครับ ได้ปัญญาทุกข้อยกเว้นยกเว้นอาสวัคค า, ายายอาสวัคคายายเนี่ยถ้าได้เนี่ยครับจริงเนี่ยจะพูดว่าได้ก็ได้เพราะว่าพอได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นภรนน ร, ริยาเลยนะอาสวัคคายายเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะว่าทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์คือลดคือหลุดจากกิเลสน่าจะเป็นระดับโสดาบันเรียกบุคคลชั้นต้ น, นต่างส่วน คือพึ่งก็คือใครมีอาสัคคายายเลยนะก็กยกประดับขึ้นเป็นอาญาบุคคล <ะ S 1> แต่พิญญาเข้ออื่นเนี่ยปุตชชนก็ยังมีเพราะเทวทัก็มมีใช่ไหมหูจิตตาจิตเลยพวกนี้การทายจิตคนได้นะเพราะที่ปุตชชนก็ยังมีนะเพราะเป็นเรื่องของอน า, า, าจจิตที่ฝึกมาพิเศษแต่ว่าอาสวัคคายาเนี่ย <คะ S 1> มันเป็นอภิญยาพิเศษก็คือทาให้หลุดอืมไม่มีอภิญยาอื่นเลยมีแค่ข้อนี่ข้อดีวก็พอนะ พวกสุขวิปลาสะโก่ท่านไม่มีปัญญาอย่างอื่นนะแต่ท่านมีตรงนี้หรือท่านเข้าถึงตรงนี้ค ร, ค, รครับคำทำทํานสุดท้ายทัานอาจารย์ทำอยากรายให้มีสติต่ตอนเนื่องและตลอดเวลาเจ้าค่ะถ้าต่อเ น, นื่องตลอดเวลานี่ก็ต้องพระอรหันนะถ้าเป็นปุถุชนไอ้บุคคลท่านต้นยังมีก็ยังมี ขาดตอนบ้างย <Yeah. S 1> ิ่งผู้ติดชวนแล้วเนี่ยก็จะมีขาดตอนเพราะมันเป็นอนาตา <Yeah. S 1> นะฮะทว่าทำยังไงให้มาต่อเนื่องก็คือให้มีให้ให้เจริญสติสมัครเสมอ <Yeah. S 1> และอย่าเจริญสติอยู่ในรูปแบบ mm. ไม่ว่าเราทำอะไร <Yeah. S 1> ก็ให้มีสติความสุดตัวตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเช็ดตัว เก็ที่นอนให้มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอย่าเพิ่งเปิดกังวลว่าเช้าวนี้จะทําอะไรจะปรุงอาหารอะไรเลี้ยงลูกให้ลูกให้ความรูสุกให้ความรูสุกตือนที่พระเจ้าบอกว่าเงี่ยนะไม่ว่าเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมองไปข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายแลขวาคู่ขาเหยี็นขาไม่ว่าจะกินดื่มเช้่วลิ้มนะไม่ว่าจะรับอัสสวะใส่เสื้อผ้านะ ยืนเดินนั่งหลับคุยนิ่งให้มีให้ถึงความสุดตัวตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเราทำสม่ำเสมอเนี่ยสติก็จะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แต่มันก็ต้องมีความมีการขาดตอนบ้างอันนี้ธรรมดาเพราะมันเป็นอนัตตาก็ปลาอย์จเราให้อยู่กับปัจจุบันที่มีก็หมดคำถามแล้วนะครับท่านใดสถามก็อ